จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีลภาวนาใครมีความต้องการที่จะเข้ามาสนทนาก็เชิญเข้ามาได้ถ้าเข้ามาทานันเพราะบางทีห้องจะเต็มแล้วก็อาจจะต้องรอไปก่อน เราก็ไปที่นคุณเด็ชายนคุณอันดับแรกตอนนี้อยู่โตเกียวเล้อคกลาวนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนนคุณอยู่โตเกียวค่ะพอดีหนูมาประชุมที่จังหวัดนากาโน่ค่ะอ๋อค่ะงานเยอะนะต้องเดินทางเยอะนะอาทิตย์นี้หนูอยู่ที่นา ก, กาโน่ค่ะนคุณอยู่กับพ่อเขาที่โตเกียวค่ะ ป่าให้เลี้ยงไว้ก็ดีมีคนช่วยดูแลก็ดีมาถึงก็คางแตกเลยค่ะนะคุณมาแลนดิ้งถึงกลางคืนแอดมีเข้าไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลการดึกเลยค่ะค<ม>างแตกไอ้สายก็เป็นอย่างมันเป็นเหมือนเล็งอะอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุ ข, สขลงคางแตกเย็บสดแต่เขาบอก อดทนมากเลยค่ะตอนแรกคุณหมอเขาจะให้ยาชาทีนี้เขาก็ถามว่าไม่เคยให้ยาชาเลยใช่ไหมก็ถามแล้วคุณว่าเออทนได้ไหมอยู่คนเดียวเขาแล้วคุณเขาบอกได้เขาก็อยู่คนเดียวกับหมอกับพยาบาลเย็บสดเลยค่ะอืก็ดีค่ะเก็บไว้ก็ดีในการอดทนจะ ไ, ได้ไม่ทุกขนะค่ะพระอาจารย์ถามเขาว่าแล้วแล้วหนูหนูทํายังไงหนูไม่กวนแล้วเขาบอกเขาท่องคาถา อ่าอะไรนะอิติปิโสวิเศษอีค่ะเขาท่องเป็นร้อยจบเลยอ่าน <ะ S 1> ป็นวิธีที่จะรักษาใจให้เราไม่เดือดร้อนค่ะค่ะอาจารย์เขาบอกไม่เจ็บเลยจ้าสาหนูหนูท่องไม่ลุกเป็นร้อยเลยน่าจะโอเวอร์ไอเป็นร้อยเนี่ยค่ะอาจารย์อ่ก็ดีแสดงว่าเขาไม่ให้ความสนใจกับความเจ็บเลยค่ะนี่มันเดียวเลยที่นี่เขาไม่ให้ ผู้ปกครองเข้าไปเขาเออหนูอยู่ได้ครับหนูก็อยู่คนเดียวันเลยอืค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้มากลางของตังค์ค่ะไม่สบายเลยเสียงแหบค่ะลองจะเครื่องปุ๊บอากาศมันเปลี่ยนมั้คะตอนแรกที่ดูยากรณ์อากาศมามันอุ่นๆกว่าปีก่อนๆค่ะแต่พอมาถึงโหหนาวขึ้นทันทีเลยเสียงเลยเปลี่ยนเลยค่ะอืมรักษาตัวให้ดีนะค่ะพระอาจารย์ อาารย์ค่ะจะแม่เจ้าที่เป็นยังไงสบายดีไหมร่างกายครับาจาสบายดีครับเอาเอวันนี้จงกันบ้านครับโอเคามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้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 เราจะเป็นทา ย, ยาคคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้นนั้นสืยไปเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเชื่อไหมเชื่ออนี่หนะคือข้อสอบของเรานะเกิดมาก็เพื่อมันทําข้อสอบนี่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องทําข้อสอบนี่ถ้าเกิดก็ต้องทำํำต้องผ่านแบบไม่เดือดร้อนนะ แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายนะนไม่ใช่ตัวเราเราเป็นย <ใช S 1> ูเซอร์ของร่างกายนี้เราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายร่นางกายเป็นเหมือนตุ๊กตาหรื อ, ม, อรมือถือเราถือเราเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเราก็ไม่ต้องไปหุ่นวายกับโทรศัพท์ถ้ามันเสียก็ซ่อมได้ก็ซ่อมไปร ซ้มไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นอีกถ้ายังไม่เบื่ อ, อถ้ามีอะไรร่างกายเลยพิจารณาร่างกายอยู่นี่เรียบหรือเป่าพิจารณาอยู่เรื่ อ, อ ย, อ ย, ยอมีอะไรบ้างขอร่างกายเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็กเ น, อนกระดูกเนื่อใกระดูกม้ามหัวใจ ตับถำผืชไตปอดใช่ใหญ่ใน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแก้ในสมองสีสั่นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหมือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่คลองน้ำมูดน้ำมูด น้ำใส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำทะเอน้ำดีเยื่ในสมองสื่อสารอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตกระเพิดตับหัวใจมะม่เยื่ในกระดูก กระดูดเอนเนื้อหนามฟันเล็บขนผมดูก็ปรากฏดนางงานจักรวาลรืเปล่าเขาปรากฏอะไรกันนางงานจักรวาลประกวดงานปรากวดกานช่างที่สองใช่ไหมถ้าพวกเราเป็นกรรมการนี่คงจะให้ทุกคนคะแนนเท่ากันหมดใช่ไหมใช่ แต่พวกกรรมการนี่ตาบอดใช่ไหมครับอืมมันรู้ไปเลือกได้ไงมันมีการถามที่สองเหมือนกันทุกคนไม่ใช่เลยครับอืมนะเราอย่าไปหลงตามเขานะเราต้องดูของจริงนึกถึงของจริงบ่อยๆอครับตอนเราทุกคนเหมือนกันหมดน่ะไม่มีใครวิเศษกับใครเราถานที่สองเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องไป ไม่เอาไปวิงตกกังวลใครจะ บ, บูรี่ใครว่าเธอไม่น่าดูไม่น่าชมเลยแดงก็พวกพวกทนตาบอดใช่ไหมฮะอ๋ะ<น>ะอทนตาดีก็ต้อพเหมือนกันมีอาการ32่สองเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องแก่เจีบตายเลยที่สุดน ะ, ะคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราจะสบายใจอ๋ <นะ S 2> อไม่ใช่ตัวเราของเราน ะ, นะอ๋อ อย่าไปยืดอย่าไปติดแล้วใจจะไม่ทุกขกับร่างกายมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับอยังนั่งสมาธิอยู่กับเปล่านั่งอยู่ครับดีนั่งกี่นาทีสามสิบนาทีครับอไม่เพิ่มไม่เอาทั้งสามสิบห้าช่วงนี้งานเยอะเนี่ยครับก็เลยนั่งสามสินาทีครับโอเคนี่ก่อนนะ ครับแต่เดี๋ยวปิดเทิมเดี๋ยวปิดกีฬาสาธิตเดี๋ยวจะตั้งเพิ่มเป็น40นาทีครับลองดูครับยิ่งก็ดียิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีมัาจะทาให้เราเี็นคำอดทนในคำเข้มแข็งอครับมีอะไรไหมมีคำถามอะไรไม่มีครับไม่มีครับอดีตบัตรตอบไปนะครับอ่านดู นยทินน้องจ ว, วันจับกลับครบพวกคุณพาจารย์ววครับนายทิ ว, วันครับนมองสแกมพระอาจารย์ครับง่ายๆวันนี้มีอะไรไหมเอ่อวันนี้ไม่มีคําถามอะไรครับอืมไม่คุ้นหน้ามีเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีเรื่องมูลบุญเกิดขึ้นเจ้าค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังพอดิฐถามเจ้าตัวเขาแล้วเจ้าของเรื่องเนี่ยค่ะต้นเรื่องเขาบอกว่าเล่าให้พระอาจารย์ฟังได้ค่ะ คืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์สัปดาห์เนี้ยเขาเขาว่าถูกกัก บ, บริเวณใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกกัก บ, บริเวณเพราะว่าทําผิดซ้ำซากนะคะก็คือว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยกติกาก็คือต้องกลับมาบ้านเลยแล้วก็ไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนทีนีเ้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็มากดกิ่งใช่ไหมคะโยมก็เปิดเปิดประตูออกไปเนี่ยเห็นเขายืนอยู่คนเดียวเห็นเขายืนอยู่คนเดียวแต่ทีนี้อ เขาก็ขออนุญาตโยมว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของฝันในเมืองเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจับสลากใช่ไหมคะพระอาจารย์เขาขอจะขออนุญาตโยมอ่ะไปซื้อของฝันคือแต่โยมมันรู้สึกแล้วว่ามันมีพี่รุดมันมีพี่รุดว่าเขาอยู่คนเดียวมันมีพี่รุดคับพระอาจารย์โยมก็แม่อนุญาตเขาก็เขาก็กลับเข้ามาบ้านแล้วเขาก็ไม่พอใจอ่าทีนี้โยมก็ถามเขาว่าอะตะวันเมื่อกี้เนี่ยหนูอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อน เขาบอกอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนแอบอยู่ตรงตรงตรงรั้วค่ะเพื่อนแอบอยู่ตรงรัว้วโยมก็อืมนั้นกลางสังหอนมันก็เป็นจริงเพราะว่าคือเราก็จับจั บ, จ, บจับประเด็นได้แล้วว่าเขาอ่ะคือแผนก็คือว่าให้เพื่อนไปแอบเพื่อให้แม่เข้าใจว่าเขาอ่ะจะไปคนเดียว เพราะว่าถ้าถ้าแม่รู้ว่าเพื่อนมาด้วยอย่างเนี้พาชานก็คือแม่ไม่ให้ไปแน่นอนเพราะว่าเขากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องถูกกัก บ, บริเวณใช่ไหมคะพาชานคือไม่ให้เล่นกับเพื่อนเขาก็เลยให้เพื่อนไปแอบโยมก็แบบคือโยมโยมก็เสียใจนะพาชานเพราะว่ามันเหมือนมันสแกมมันมาสแกมอีกแล้วพาชานโยมก็แบบแต่ว่าคือแต่เขาก็พูดความจริงแต่ว่าไอตอนที่อยู่แต่โยมอะ่ะก็บอกเข้าไปว่าที่หนูทําอ่ะ ตอนกลับมาในบ้านเนี่ยคือหนูว่าพูดความจริงแต่ว่าตอนที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยอันนั้นน่ะหนูว่าหลอกลวงแม่นะอันนั้นหนูทําผิดโยมก็จะสั่งสอนเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาอ่ายะยโสโอหังคือเขาอะเชื่อว่าเขาอ่ะไม่ได้โกหกเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกอืมเขาไม่ได้พูดงเล้เขาไม่ได้พูดใช่ค่ะพระอาจารย์จะโยมบอกเขาว่าหนู ถ้าเป็นอสมมติมันมีมันมีมันมีหมาป่าตัวหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์หมาป่ามันอ่ะไปไปไปปลอมตัวเป็นแกะแล้วมันไปเข้าอยู่ในฝูงแกะมันมีเจตนาอะไรแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้พูดว่ามันน่ะเป็นแกะแต่มันอยากจะกินแกะแต่คือเจตนาคือมันไม่พูดเลยคือมันแค่เปลี่ยนชุดอย่างเดียวพระอาจารย์ไปอยู่ในฝูงแกะอย่างเงี้ยคือแกะทุกตัวก็เข้าใจว่ามันเป็นแกะ ติ่งเยอะพระอาจารย์คือเขาไม่ได้พูดจริงๆก็แต่ว่ามันมีเจตนาที่จะหลอกลวงอยู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์ mm hmm. จะโยมามาหนะัะเขาขายสแกมเมอร์หลอกลวงอย่างเงี้ยคือโยมก็เสียใจยอยู่แต่ตอนนั้นอะโยมมาสั่งสอนเขาแต่เขาว่าเชื่อว่ามันมีโยมมาเห็นสายตาเขามันมีความโอหังอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าเขาอะเชื่อว่าเขาไม่ได้พูดโกหกเพราะว่าเขาพูดความจริงตอนที่แม่ถามแต่ตอนอยู่หน้าประตูให้เพื่อนไปแอบเนี่ยทําเสมือนว่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็ mm hmm. แต่โยมก็แตะโยมก็เ น, นี่ยมันเจ้าเล่ห์พระอาจารย์นี้ยแล้วมันมันโยมคิดว่าอันเนี้ยถ้าไม่ส ก, กัดดาวรุ่งก่อนเนี่ยอนาคตต่อไปอะ่ะเลเวลความเจ้าเล่ห์เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเจ้า่าพระอาจารย์แล้วแล้วแล้วแล้วโยมก็ขี้เกียจจะคุยแล้วเพราะว่าตอนนั้นเอะ่ะโยมเห็นหน้าตาเขาแล้วว่ามันเห็นดวงตาเขาแล้วเขาไม่พร้อมคุยคือเขาเขาคิดว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขามั่นใจความไม่ผิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกหก เขาก็เลยไปอาบน้ําตอนนั้นก็คือวัยโยมก็ขึ้นและวอารมณ์เสียแล้วค่ะพระอาจารย์เขาก็ไปอาบน้ําทีน่นี้อยู่ๆเขาก็เดินออกมานุ่งผ้าคุณหนูออกมาค่ะพระอาจารย์เขาก็ร้องไห้ออกมาเลย mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนอยู่ในห้องน้ําตอนตอาบตอนอาบน้ําอยู่เอ่ตอตะวันคิดคิดถึงอพระโมคคัลลานะคือเขาว่าดูประวัติของพระโมคคัลลานะจ๊ะค่ะพระอาจ า, า, ารย์ตอนที่เป็นาชาติที่ที่ทําลายแม่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ชาติที่ที่เป็นเป็นปุจจุชนแล้วก็ ไปอะไรอ่ะไปทุกตีแม่ก็คือลวงพ่อแม่ไปฆ่าแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วตอนที่พ่อแม่ถูกทุบตีเนี่ยพ่อแม่ก็ตะโกนเรียกว่าให้พระบูคาลานนะหนีไปคือเหมือนกับว่าเสียสละให้ลูกหนีไปตัวเองแบบแบบจะได้ตายแล้วลูกจะได้รอดแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้มันเข้ามาในหัวเขาเขาก็เลยสํานึกเขาก็เลยร้องไห้แล้วก็เดินมากราบขอโทษเจ้าค่ะพระอาจารย์หลังจากนั้นก็เลยได้คุยกันเพราะว่าเสมือนว่า ตอนนั้นอีโก้ความโอหัของเขาคือมันมันมันหายมันสลายไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยคุยกันค่ะร้ายมากเลยร้ายมากเลยก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันอยู่คนเราอย่างไรเขาก็สำนึกผิดได้เร็วก็ดีเพราะไม่ไม่ไม่ไม่ยามนับผิดก็มีอันก็สอนไป ได้าไหรก็ได้ทางนั้นวันเราบางทีก็มันมีกรรมเก่าติดตัวมานะที่สายเดิมมันติดตัวมาแต่เราก็มีส่วนที่จะช่วยปั้นเขาให้ไปในทิศทางที่ดีได้ส่วนเขาจะไปหรือไม่ก็มันอยู่ที่ตัวเขาเองเราก็มีหน้าที่สอนส่วนเขาจะทำได้หไม่ได้นั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้เราทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนเขาจะ ทำให้ทางนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขาโยงก็ถามเข้าไปค่ะอาจารย์ตอนเขาเริ่มเปิดใจใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือตอนนั้นคือเขายอมซิโรลาบแล้วหนูแล้วหนูคิดว่าหนูว่าจะไปสนุกกับเพื่อนอะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาเพื่อนหนูอะ่ะจะมากระโดดรับรับรับซูนมีใครจะมาทําร้ายหนู่จะมีเพื่อนที่ไหนมากระโดดรับเคาะแทนหนูไหมล่ะ ก็จะมีไหมต่างคนต่างวิถีเอาโทรศักันนี่แหละก็มีพ่อแม่นี่แหละที่คอยแบบว่าเสียสละแล้วก็ดูแลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้เขาก็พอที่จะเข้าใจอยู่เข้าใจรึเปล่าเข้าใจใช่ไหมก็ยังดียังซึมซาบเข้าไปค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็เออก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนยังสอนไ้เร็วอยู่อือคะ่ะแต่พ่อแม่ของเราไม่ควรจะไปปกปิดอะไรพูดความจริงในการนะั้นตะวัน แล้วให้พ่อแม่เขาตัดสินว่าไปนั้นได้หรือไม่ได้เพราะพ่อแม่เขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีถ้าไปไม่ได้ก็ยอมรับคําตัดสินของพ่อแม่ไม่ไปก็ได้ทําได้ไหมเอาไปนี้ทําได้ไหยไม่ทําซ้ํำอีกนะทำผิดแล้วอย่าไปทําซ้ําเองอย่าหลอกลวงตรงไปตรงมา สบายใจกว่าหลอกลวงก็ไม่สบายใจใช่ไหมอืมใช่ครับอืมอ่าก็ดีมันถึงไม่ได้พูดออกมาแต่มันคือการหลอกลวงเพื่อให้อ่คนคนอื่นเข้าใจไปอีกอย่างนึงอันนี้มันก็คือการโกหกโดยที่ไม่ไม่ไม่ใช้คำพูดใช่ไหมคะอาจารย์เออตองเรีกว่าหลอกลวงหลอกลวงอื ม, อ ม, อม หลอกลวงด้วยด้วยพฤติกรรมไม่ได้หลอกลงด้วยคําพูดวาจาบอกลงด้วยพฤติกรรมแต่มันก็มีวาจาอยู่พูดไม่หมดไงไปไปแบบว่าไม่จะไปในเมืองซื้อของแต่ไม่ได้บอกจะไปกับใครไกับเพื่อนใช่เพราะเขารู้ว่าถ้าพูดปุ๊บนะแม่ไม่ให้ไปก็เลยสร้างแผนการโยงก็ถางมาใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยก็บอกเขานี่แหละเป็นคนต้นคิด เนี่ยความอยากตันหามันมันอรพอคนเรามีความอยากแล้วบางทีมันมันหาหาช่องทางไปให้ได้ใช่ครับอาจารย์เนี่ยเราต้องมีธรรมะมาคอยสกัดความนี้ความอยากทําไปแล้วมันจะทุกข์อืมก็ยังดีเรดายังยังมีเรดาครับอาจารย์ถ้าเรดาเสื่อมนี่เจ็บเลยเดี๋ยวเหมันจะต้องมีมีมีก๊อกต่อไปมันต้องมาเรื่อยๆอย่างเนี้ก็ดีเรื่องนิทานธรรมะต่างๆมาช่วยได้เหมือนกันได้มี ไม่มีจิตสำนักกม่มีอะไรเนี่ยนะเสียดายเด็กสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเหมือนเนี่ยคุณแม่ตะวั น, นสอนลูกมีเป็นภูมิคุ้มกันด้ยเรื่องของพเวสสันดนเรื่องของคนต่างๆที่มีความดีงานเนี่ยสานน้ำมันเบคติเป็นโมเดลเป็นเนะี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี แต่ใจิตใจเขาเป็นคนเป็นคนที่สงสารอยู่ค่ะพระอาจารย์เจ้าเจ้าตอนเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนที่สงสารอยู่แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนได้ก็บางทีบางทีสติไม่ทันกิเลสไม่ใช่อะไรแนละบางทีก็ไปโทษเขาไม่ได้มันเรื่องของการต่อสู้ระหว่างธรรมกับกิเลสเนี่ยถ้าทำอ่อนแอกว่า <laughs> กิเลสมันไวกว่ากิเลสมันก็เอาไปกินใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนเตือนเลยนะก็ร่วมขบวนการกันนะ่ะ อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันอืมใช่ค่ะวันวันนั้นเจ้าตะวันเล่าให้ฟังค่ะพอดีเขาไปอ่าก่อนหน้าเหตุการณ์เนี้ยเขาไปเข้าไปบ้านเพื่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ทีนี้เก็คุยกับเพื่อนในรถทีนี้อผู้ปกครองของเพื่อนเขาเนี่ยเอ๊ะรู้สึกตะวันจะเล่าว่าว่าว่าตะวันถูกทําโทษในการตีตีที่ก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้ทางทางนั้นเขาก็ อเขาก็ตกใจเขาก็เขาพูด uh, ข uh, ึ uh, like ้นมาว่าอะไรนะลูกว่าอ่าคุณย่าของเพื่อนเขาพูดว่าอะไรนะลูกเขาบอกว่าเป็นการทารุณกรรมเด็กเขาก็บอกว่าเป็นการทารุณกรรมเด็กนะเขาบอกว่าที่นี่เป็นเป็นเป็นประเทศในแถบนะไม่ใช่ประเทศประเทศประเทศไทยแต่แต่วันตกก็สลัดต่ว่ันตาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจ้ะพระอาจารย์เพราะว่ามันคนละความคิดจ้ะค่ะพรอาจารย์ เอาเด็กแตะเด็กไม่ได้เลยตีเด็กไม่ได้เลยเพราะมันน่าจจะมีคนที่มันทาทำวุนกรรมเด็กไว้ก็เล ย, ยากแย่ไม่ได้ก็เลยห้ามดีกว่าห้ามไ<ช>ม่ทํานะแต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างในบางทีก็มันก็ต้องลองาโทษบ้างมันจะได้เข็ดดาบนอเด็กบางคนมันหยาบใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีพูดพูดนิ่มๆบางทีมันบางคนถ้ามันนิสัยยกว่าถ้านิสัยแบบ บ้านนอสอนง่ายอะ่ะไม่ต้องพูดมากอะ่ะบางทีก็ต้องครูอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าผิดบ่อยๆที่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมันก็ต้องมีใชต้ต้องถูกตีบ้างค่ะอาจารย์อันนี้สําหรับความคิดโยงนะคะใช่กฎหมายเข้ามาอนุญาตให้มันถ้าเราถ้าเด็กไปฟ้องครูให้ครูไปฟ้องตํารวจเดี๋ยวตำรวจมาที่บ้านนี่ <c oughs> นเป็นข้อเป็นข่าวไหมเป็นข่าวไหมที่ที่โดนอะ่ะ เบาๆโอ๊ยขนาดโดนนะครพระอาจารย์ยังไปใส่ยังไปสวมเกงแบบนั้นหนาแบบก่อนที่จะโดนอ่นะไปสวมบางเกงแต่ว่ารู้ท่านก็ได้ไปไปตีตรงขาอ่อนอืมนึกว่าจะรอดพ้นเนอะไม่เล่ารอกนะไปสวมบางเกงแบบไม่ไปรู้ว่าทำไมมันทําไมก้นมันนูนๆอย่างเลยไปคลำดูอ๋อไปสวมบางเกงมาก่อนสามตัว <laughs> แต่ก็โดนตรงขาอ่อนใช่ไหมโดูนใช่ไหมก็ไม่ได้ตีเหมือนวัวเหมือนควายค่ะพระอาจารย์ก็แบบถ้ามันแบบเอผิด มากๆอย่างเงี้ยก็ก็ก็โดนบ้างค่ะถ้าเกิดคนอื่นเขาเห็นนะเขาเข้าไปรา ง, งานแล้วก็เราถูกถูกเจ้าหน้าที่จับเลยถูกจับไหมอือโยมว่าถ้าถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกอย่างเงี้ยมันน่าจะโดนจ้นะค่ะพอาจารย์เพราะว่าถึงเอ่ออย่างโยมถามคุณมากโกอะอ่ะเคยโดนไหมเขาบอกวก็เคยโดนนะแต่ว่าแบบใช้มืออย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เด็กบางคนก็ถูกตบหัวแนละ้วแบบป้าบอย่างเงี้ยพระอาจารย์ <laughs> แต่ว่า <laughs> ในกรณีถ้าเป็น ที่โรงเรียนเนี่ยจะไม่มีการตีเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าเป็นที่โรงเรียนครูอะไรอเงี้ยไม่มีการตีใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่พ่อแม่ในบ้านนี่ก็ยังยังวันนี้มันนัดยอมคิดว่ามีลมยมคิดว่ามีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดกันอาจจะแบบว่ากลัวเอาไปฟ้องหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่คิดว่ามีใช่ไ่มะพระอาจารย์แต่อาจจะมีน้อยเพราะว่าออาจจะมีน้อยเพราะว่าสังเกตดูว่าเด็กสมัยนี้น่าจะน่าจะเป็นเจ้าคนนายคนนะพ่อแม่น่าจะเป็นทาสไปเลย ไม่น่าจะมีการตีเกิดขึ้นนะครับรอาจารยเงาเปลี่ยนไปค่ะโอเคมีอะไรไหมเพราะไม่ไม่มีนะโอพระอาจารย์คะอันนี้เรื่องเรื่องโยมถามนิดนึงว่ามันมันมีความคิดเอขึ้นมาค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าคือว่าเหมือนร่างกายอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือเราเอาไว้ใช้ร่างกายมีเอาไว้ใช้ แต่ว่าเราเราไม่เราเราจะไม่เป็นทาสของของร่างกายมันก็เหมือนความคิดที่ว่าความคิดมีเอาไว้ใช้แต่ว่าเราจะไม่ไปตกเป็นทาสของความคิดอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ความจริงมันร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราสั่งการได้ใช้มันได้ถึงแต่เราควรจะใช้ในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับจิตใจ ก็คือให้มันพาเราไปสู่การหนุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยใช้ร่างกายศึกษาปฏิบัติธรรมนี่คิดแบบนี้ความคิดก็เหมือนกันความคิดแล้วต้องคิดว่าเป็นความคิดที่มันสามารถไปเราคิดไปในทางใดทางหนึ่งก็ได้คิดไปในทางกิเลสก็ได้คิดไปในทางธรรมก็ได้พยายามเอาเอาความคิดมาคิดไปในทางธรรม ทำไปคิดในทางกิเลสมันก็สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าคิดในทางธรรมก็หนักความทุกข์ใหกับใจส่วนใครจะเป็นธาตุใครนมันไม่สําคัญสําคัญอย่างนี้ว่า <S <S 1> <S 1> เราสามารถเอาความคิดมาคิดเนี่ยสัมมาสังปโปะกับ ค, ค, ค, ความคิดถูกความคิดชอบความคิดที่ถูกต้องเอาคิดไปในทางละบาปทําบาุญละบาปทํร่างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พยายามหนึ่งความคิดให้ไปคิดไปในทางนี้อยากคิดไปในทางหาลาภยุทสนเสริญหาความสุขอย่างรูปเสียงเกินด้นอันนี้คิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางมิจฉาทิฐิมิจฉาสามโปรนนำไปสู่กับความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความคิดอย่างตัวสําคัญแล้วพยายามฝืนความคิดที่ไม่ดีพยายามดึงมันมา แต่ตอนนี้บางทีความคิดมันมั น, ม, นมันเป็นเจ้านายเราเราเป็นท่านมัน ม, มันจะสั่งให้เราไปาหนนานู่นหานี่มาอยู่เนีไเนน่ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปซื้อของนู่นของที่มันจําเป็นต่างๆเห็นของสวยก็อยากได้ขึ้นมามก็คือความคิดนี่คือว่าไอ้ตัวที่ว่าเจ้าปัญหาเนี่ยก็คือไอ้มีบอร์ลข้อหนึ่งกับข้อสองใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คื อ, อคื อ, ค, อคือต้องต้องเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็พอเหมือนอ่า กำลังมันออกแล้วก็ใช้ปัญญาเออ่จัดการไอ้ตัวที่มันมันเป็นยางเหนียวที่มันมันสร้างความทุกข์ให้กับใจอย่างเนี้ยค่ะภาษารนิยมเข้าใจถูกถูกต้องหรือเปล่าก็เหมือนทุกอย่างมันก็ต้องเป็นสังขารเป็นตัวตัวคิดทั้งนั้นนะนั่นเก็ต้องต้องแก้ให้หมดสังโยชน์ทั้งสิบเนี่ยก็เกิดจากสังขารเป็นคิดมบงแต่งคิดไปยึดไปเตดนู่นเตดนี่อยากได้นู่นอยากได้เนี่ ยังน้นต้องใช้ใช้ธรรมะความคิดของพระเจ้าพระจาเคิดบอกให้คิดไปในทางไตลักคิดไปในทางอนิจจังทุกขังนั่นแหตามันก็จะหยุดความอยากได้มาถึงใช้ใช้ความคิดเดินมัรกใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่าเป็นสัมมาสังกปร์ค่ะโดยอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ว่าบุญบุญเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นคุณบาปเป็นโทษกิเลสตัณหามันเหตุพาให้เรามาทุกมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี่เราต้องชำระอิเลสหยุดการกันทำบาปทำแต่บุญค่ะพระอาจารย์นะคิดอย่างนี้นลยค่ะย่ไปคิดว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นท่านเลยมัน คิดไปก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรก็ค่ะพระอาจารย์ความคิดเป็นเหมือนล้อโย น, เ, นยเราจะขับไปขึ้นเหนือก็ได้ลงใต้ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้ความคิดพาไปก็เหมือนก็นว่าโยมโยมไปเทียบเหมือนว่าบางทีเอะจะชอบเอาอสิ่งอื่นๆมาเปรียบเทียบ ก, กับกับกับร่างกายแล้วก็จิตว่าโอเคจิตมันตอนนี้มันใช้ร่างกายไปอยู่ทําประโยชน์อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายทีนี้เหมือนความคิดก็เหมือนเอาไปใช้ประโยชน์อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็มันได้ทั้งประโยชน์แล้วได้ทั้งโทษแล้วแต่เรา<ท>เราจะรู้จักใช้หรือเปล่าอ ม, มันใหญจะเอาไปใช้เป็นทางโทษใ ห, ให้ให้โทษกับจิตใจแล้ออกวก็<ม>เอาไปสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการทำตามความอยากต่า ง, งตาเราต้องหยุดหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิด กยความคิดหน้าความอย่างมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์หมดอย่าไปอยากได้ได้มาแล้วจะทุกข์เอย่ยได้ตะ ว, วันมาแล้วมันทุกข์ไหถ้าม่มีตะ ว, วันตอนนี้สบายก็วันนั้นพูดเล่นกันว่าอ่ามีถ้ามีใครมีใครมาขอตะวันไปนี่ก็ยกให้ตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่มันเริ่มอยู่ในเท้ามันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วทาให้เรา ใช่แพ<ห>้ <ขอ S 2> ท้องแล้วแพ้ท้องแล้วแล้วก็เสียหุ่นเสียเชฟเสียทุกหุ่นะลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ปวดท้องคลอดอีกตั้งสิบสิบเจดสิบแปดชั่วโมงเนี่ยโอ้ย<ข>อพาาระอาจารย์มันมาเนี่ยตายมาแล้วมันต้องเลี้ยงมันเองใชา่กับพระอาจารย์มมันมีแต่ทุกช์เ่านั้นแต่ความความหลงมันไม่ได้มองให้เรามองเห็นใน้ลับไปเห็นว่าเป็นลูกของเราเรามีความสุขในลูกมาอืม ผ oh, ู้จาพอได้พอได้ยินขา่าวว่าพอได้ลูกมาเพ้าผูเจ่าบอกบ่วงเกิดแล้วบ่วงเกิดแล้วทามทุกมาแล้ว mm hmm. ถ้านเลยหนีลูกเลยไม่ยอมอยุดไม่ยอมเข้าใกล้ไม่ยอมเห็นหน้าลูกเห็นแล้วเดี๋ยว mm hmm. ความอยากความลักมันยจะผูกพันทันทีใช่ค่ะอาจารย์ตอนวง ตอนคิดมองกลับไปก็ก็รู้สึกสังเวศตัวเองเจพระอาจารย์เพราะว่าโยมจำโมเมนต์ได้ตอนที่คลอดออกมาแล้วพยาบาลเขาหยิบมาหยิบหยิบเจาตะวันหยิบหยิบลูกเนี่ยมามามาวางที่อกใช่ไหมคะพระอาจารย์<ม>โยมจำได้ว่าคำพูดที่โยมพูดขึ้นมาเนี่ยโยมก็เอื้อมมือไปไปไปไ ป, ไปจับเขาแล้วก็พูดว่าอ่า uh, my baby อย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>ความคิดคืออุอ้ยมันมั น, ม, นมันเป็นเอ่อบ่วงมันเป็น คือแค่คำพูดมันก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นลูกของฉันไม่เบบีอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เว้ยอนาจใจตัวเองมากมเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนับความหลงมันเยอะจ้าพระอาจารย์อืเอามาเป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อมอย่าไม่มองเห็นะทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์กันถ้าเกิดคา อ, อย่างตัดได้ก็ตัดดีกว่าอย่าไม่เอาความทุกข์มาใส่หัวเราเลยค่ะพระอาจารย์ สาวน้อยก็สอนครับอาจารย์ถ้าดูแล้วพูดไปเปลืงน้ําลายก็โยมก็ก็ก็ก็ถอยค่ะอาจารย์โอเคนะมีอะไรไหมก็ไม่มีมีเพียงเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สัปดาห์หน้าคงไม่เข้ามาครับอาจารย์โยมกับภัยกับภัยสัปดาห์หน้าอกพรอาจารย์กลับมาบวชนะกลับมาปวดก็ไปบวชด้วยแต่คงไม่ได้ปลงผมจ้ะคงไม่ได้ปลงผมไปปวดก็ก็มีบวชด้วยค่ะพอาจารย์บวดใจค่ะอาจารย์ปวชใจ บาทีก็ควรใช่ท้าไหนเข้าวัดเข้าวามั้งก็ไปค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่อาจจะไปอาจจะไปหาพระอาจารย์แต่ว่ายังเป็นไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปก็คือไปอืตะวันมาด้านตะวันมาด้วยปะไม่ได้มาเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องมาแล้วก็อยู่แบบอยู่ที่เนี่ยไปไหนยองไปคนเดียวไม่ต้องมาเดี๋ยวรอโอกาสหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมมะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่แต่คุณยายเอ้ยคุณยายเขาก็คิดถึงคิดถึงเจ้าตะวันอยู่เดี๋ยวมีโอกาสก็ คุณคุณยายเขาเขาเขาเขาก็คิดถึงตะวันเขาก็เตรียมเงินไปให้เจ้าตะวันนะคะพระอาจารย์ถึงไม่ได้ไปเขาก็เตรียมเงินให้อืให้หลานค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุพาจารย์ถ้าถ้ายังไงก็อาจจะได้เจอพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวโยมชวนเพื่อนไปพอดีเพื่อนเขามีเงิใจจะขับรถไปให้ค่าพระอาจารย์ค่ะค่ะแต่แต่อาจารย์นะคะพระอาจารย์เขาไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าหรือยังไงอื อนาคไม่แน่นอนมันโคตรปั่นคตรปั่นค่ะไม่ไม่ต้องไปยรดปัาไม่ต้องมายืนบ้านถือบ้านมันาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์มาที่อ่าที่ศาลาฉันใช่ไหมคะหลังจากกลับมาจากบินทบบาลนะคะวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์เสาที่ไม่ได้ลงศาลาเสาร์ที่จะมาฉันเนกุติอ๋อแล้วแล้วหลังจากอ่เราจะสมุดยงอ้าที่ไหนคะ ช่วงเช้าก็ต้องไปใส่บาตรนะทุกวันที่ที่สายมินทบาทบ้านอำเภอเนี้ยไปมินทบาท<อ>ทั้งวันแล้วถ้ายมจะใส่บาตรพระอาจารย์ตอนเช้าหลังจากพระอาจารย์กลับมาได้ไหมคะก็ได้อยู่ที่หน้าข้างหลังสาราเราไม่ได้ขึ้งสาราแต่จะมีคนมาเข้าคิวไว้<อ>ที่หลังสาลาออแต่ไม่ได้ขึ้นสาราเ<อ>รา<อ>กยกยกสาราให้เจ้าอาวาสเข้าไป <laughs> พราะถ้าเราขึ้นแล้วเราเราก็ไปไป้าไ ป, ไ ป, ไป ไปยัไปนั่งหัวแถวถ้าเราเม่นไปเข้าเข้าจะได้นั่งหัวแถวเป็นหัวหน้าได้อืนเจ้าค่ะงั้นสาวที่ก็เลยถือว่าเป็นธรรมเนีมมายกศาลาให้กับท่านไปเราก็ได้โอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะอืมเจ้าค่ะได้เป็นเขาก็ได้เราก็ได้เราก็ได้พักผ่อนเขาก็ได้เป็นธรรมวันอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์เ อ, อ๋ อ, อ, ก อ, อก็ถ้าไปช่วงหลังจากสักเจ็ดมงใช่ไหมคะพระอาจารย์ มันยัง <3 S 1> มีาประมาณประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งถึงวัดเดินทางเริ่มประมาณหกโมงเช้าที่บ้านลำพังอื ม, มค่ะค่ะถ้าไปก็คงไปที่วัดนะคะพระอาจารย์ช่วงหลังจากพระอาจารย์กลับมาเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาบอกว่าถ้าไปที่พัทยาเพราะว่าโยมต้องขับจากตัวเมืองชุมบุรีมาอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะหาที่จอดลำบากค่ะพระอาจารย์อืมว่าจะไปจะจะเจอไจ้แต่สะดวกได้ใช่ไหม เป็นแต่บอกให้รู้ว่าไม่ได้ขึ้นสาราแล้วสาวเทศกัณฐ์พระไม่ได้ขึ้นสาลาแล้วพระอาจารย์จะอยู่ตรงนั้นนานไหมคะช่วก็ประมาณสักสิบสิบห้านาทีย่านอยู่เขามารอยืนเข้าเอาของมาถวายจากนั้นพระอาจารย์ก็ออกไปทำติดส่วนตัวเจ้า่าพระอาจารย์ค่ะแต่ถ้าสาวเทศมันก็ช่วงบ่ายก็เป็นเป็นเทศที่น่ากุติบ่ายสองโมงท่นมานั่งฟังเทศก็ได้ค่ะ ก็จะเก่งใจเพื่อนโยมก็อยากจะไปแต่ว่าเขาเราเราเราเราพึ่งเพื่อนนะคะพระอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่เขาเชิงท่าเดียวก็อาจจะยังไม่เข้าถึงธรรมะขนาดนำมาเล่าควงมเทศธรรมๆก็ได้โยมก็บอกว่าอพอดีว่ามีเพื่อนจะไปสองสามคนแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเป็นเป็นเป็นแฟนของเพื่อนอีกทีโยมก็บอกว่าเดี๋ยวมาถวายมาล้างเท้าพระอาจารย์สิเขบอกเดี๋ยวเขานอนรออยู่ที่รถแล้ว ก็แล้วแต่ค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่เขาสถาพเป็นโยมก็เป็นผู้หญิงก็ทําไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็แล้วแต่เขาค่ะก็แล้วก็ได้เขาก็ได้บุญเข้ามาด้วยการก็พามาก็ได้บุญค่ะอาจารย์คนละอย่างแล้วค่ะก็คงเท่านี้จ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุขอขอบพระอาจารย์ทางเลยตอนที่ภพนะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่มีตัวตัวเนี้ค่ะตัวที่ควรจะช่วยชิวเลยค่ะคนเดียวค่ะขอขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วค่ะ อยากเป็นหมอพี่เชษเชิญหมอกล่าวนำกล่าวนำมรสการพระอาจารย์ครับขอว่ามเมตตาพระอาจารย์ได้ที่บายสมบัติที่แท้จริงที่เราต้องรักษาครับทรัพย์ภายในเนี่ยทรัพย์ที่เราสามารถเก็บไว้ในใจเราได้ก็มีทั้งสองระดับโลกียทรัพย์กับอาเยทรัพย์นะโลกุตระทรัพย์ต่ทรัพย์ภายนอกก็อย่าง ที่อราหาได้ด้วยร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองพอร่างกายตายไปก็ต้องกายเป็นของคนอื่นไปหมดแต่ทรัพย์ภายในที่เราสร้างไว้เนี่ยมันม่เรามันจะไปกับเราคือเราเป็นจิตเรนจะเป็นดวงวิญญาณทรัพย์มันมีสองระดับระดับโล ก, ยลกีย์ก็คือยังเป็นระดับของกานยังอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็ยังระดับเน้อทรัพย์โลกุตตระทรัพย์เนืออริยทรัพย์ อันนี้จะเป็นทรัพย์ที่จะหลุดออกจากโคจรงงโคจรของการเวียนว่าตายเกิโดโลกียะทรัพย์ก็มีสวรรค์สองระดับสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพมาเกิดจากการทําบุญทําทานทําความดีต่างๆไม่ทําบาปตายไปเราก็ได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทวนาอแต่ยังต้องกลับมาเกิดอีกั้งยังบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วทรัพย์ ชั้นที่สองของโลกียะทราบก็สวรรค์ชั้นพรห ม, มโลกอันนี้ก็เกิดจากการถือสิลแปดนั่งสมาธิเข้าฌานได้ อ, อตายไปก็จะไปเป็นพรหมอยู่ชั้นพรห ม, มโลกสองระดับรูปประพรมรูปประพรมได้รูปฌานครับไปอยู่รูปประพรได้ได้รูปฌานก็ได้ไปอยู่รูปประพรหมตายก็เสื่อมมันก็หมด สมาธิฌานที่ได้ก็เสื่อมเพราะฌารเสื่อมก็กลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็กลับไปใหม่คนพวกนี้มักจะกลับมาแล้วเป็นนัก บ, บวชกันสังเกตว้าคนบางคนกลับมาแล้วไม่แต่งงานไม่มีสา ม, มีไม่มีอะไรเพราะเขาเคยฝึกจิตของเาแบบนี้เขาหาความสุขจากความสงบสมากกว่าที่จะยากความสุขจากการมีครอบครัว ส่วนพวกเทวดานี่กลับมามักจะมีครอบครัวกันก็ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเยอะอันนี้ก็โลกิยทรัพย์ยังติดอยู่ในวงของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นเทวดากลับมาก็้อกลับมาเกิดในในกายมาพบถ้าเป็นพรหมก็กลับมาเกิดในรูปะครพารูปะครพสองระดับแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็ยังมีทรัพย์ที่เนื้อโลกุตตะลทัพย์เนื้ออริยทรัพย์อออยพยก็คือทัพย์ของพระอริยเจ้า พระโดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีอันนี้ก็จะได้ได้ได้ลดลดตัดความทุกข์ให้น้อยลงไปเพิ่มความสุขในใจให้มากขึ้นลดลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงเช่นขั้นที่หนึ่งพระสวดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ชาตินก่อดในการมาพบพราะโสดาบันยังไม่ได้ตัดการมาลงเป็นการมาลาคะอยู่ ภาษีราคาก็เหมือนกันการมาเกิดแต่จะกรรมมาเพียงชาติเดียวพอลดการมาราคะลงด้วยการเริ่มพิจารณาสุภาอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ยังไม่เห็นตลอดเวลาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างลดการมาราคาลงแต่ยังไม่หมดพอได้เป็นขั้นที่สามภาษนาคามียก็ตัดการมาราคาได้หมดไม่ที่ไ ม, ไม่ไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปพอไม่ไม่ไม่มีความอยากจะเสพดูเสียงกินรถกับใครอีกต่อไป อาจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งมีอยู่ห้าชั้นเรื่อสวรรค์ชั้นสุดทาวาสแล้วก็ไปบรรลุปเป็นผ้านในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเลยพอได้เป็นผ้าหานวก็ไม่กลับมาเกิดในลายภพอีกต่อไปอยู่นี่อยู่ที่นิพพานที่เป็นมุทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นบรล ม, มัสุขนิบานังบาลมังสุขขงัง นี่แคือซับภายในที่แบ่งเป็นเกรดๆแบ่งเป็นชั้นๆไปตามกําลังของการปฏิบัติธรรมของเราคูอาจารย์มึงสอนให้เรารักษาศี่ห้าแล้วก็ทำบุญเพื่อได้ขึ้นไปสู่ชั้นเทพนถ้าไม่รักษาศี่ห้าถ้าไม่ได้ทําบุญถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็ยันหนึ่งให้เราไปเกิดในอบายอันนี้เราไม่เรียกว่าซับแล้วอบายอบายนี่เหมือนคุกตารางที่เราจะต้องไปชดใช้กรรมไปติดคุกติดตาราง งันต้องรักษาสีนาหน้าให้ได้เพื่อจะได้ปิดประตูะบานแล้วสร้างบุญทำบุญทำทานตามกำลังของเราก็จะได้ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นเราก็ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแปดหรื อ, อยู่ที่บ้านก็ได้ถือศีลแปดภาวนาตัดการเสพกรารไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสหาเวลามาให้กับการปฏิบัติ ทำจิตให้สงบก็จะได้รูปประจานิว่ารูปปัจจานแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องเจริญปัญญาให้เห็นอริยาาสัจสี่เห็นไตรลักก็จะได้เป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคาพระอนาค า, า, า, า, ามินั่งกัพระอรหันต์ตามลําดับเนี่ยนคือทรัพย์ภายในที่เราต้องสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยเราก็จะสร้างแค่ได้แค่โลภะทรัพย์ว่าในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสน า, าก็ยังมีคน ทำบุญทำทานรักษาศีลนะแล้วก็นั่งสมาธิกันอยู่แต่ไม่มีใครสามารถจะออกจากต่พภพไปได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนสอนอริยรร ส, สัจสี่สอนใจนักพระเยเละาสาังโยชนสิบตัวที่ผูกพันจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่นั้นบรันรบูนของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสน า, ศา มีโอกาสที่จะได้ออกจากคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดหลังสารวาัตนี่เป็นเหมือนคุกตารางที่เราจะต้องตินอยู่แล้วก็ต้องตินอยู่ในกําแพงสี่ด้านที่เรียกว่ากําแพงที่มีมีชื่อว่าแก่เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่จะได้มาพบ ก, กับพระพุทธเจ้าพราะธรรมหรือพระสงฆ์เราสามารถน้ำแนาคําสอนไปปฏิบัติให้ได้ผล ก็จะได้ได้รับประโยชน์ได้ทรัพได้ระดับต่างๆตามกำลังของเรานั้นเฉพาะนิชานี้รีบตั้งตัวกริยารั์ให้ได้นะเพราะนานๆจะมีโอกาสได้รู้จักวิธีสร้างกัิยารักหนึ่งมามันต้องใช้ปัญญาแต่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน ต้อเห็นใจรักเห็นอนุญาตศีลเข้าใจหลักของอนุญาตศีลว่าเป็นยังไงเข้าใจหลักของตายรักว่าเป็นยังไงมันก็จะทําให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมนไปจากใจได้โอ้ยเข้าใจไหมคุณหครับเข้าใจอย่างชัดแจ้งมากเลยครับอาจารย์รอบขอบพวกคุณอย่างสูงครับี่คือทรัพย์ที่พวกเราควรที่จะสะสมเงินอย่าไปสะสมทรัพย์ภายนอาเลย เงินดิจิทัลหมื่นบาทนี่มันกินไม่กี่วันมันก็หมดอเอาเอาถ้าได้มาก็ไปทําบุญดีกว่าเป็ น, ปนทรัพย์ภายในดีกว่าเราสามารถแปลงทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในได้เงินทางที่เรามีอยู่เนี้มีมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปทําบุญเราก็แปลงเป็นทรัพย์ภายในเป็นเทวรทรัพย์ไปพอตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญ ไม่เป็นเปรตพวกที่เป็นไมเป็นเปรตขอทานทางจิตตะเวนยาก็เพราะว่าไม่ทมําบุญไมีแต่ชอบลักขโมยเงินของคนอื่นแต่ไม่อยอมทําบุญเจไดเงินเีย่ยพราะนี้ไม่เป็นเปรตแล้วเรามารับส่วนบุญของคนที่ยังไม่ชีวิตเยอะที่เราทิ้งบุญเงาทิ้งให้พวกนี้ดังนั้นกพยายาม ศึกษาปฏิบัติธรรมาโอกาสทองนะการได้มาเกิดเจอพระพุทธศาสนาไเป็นมนุษย์แล้วมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่หายากมากได้อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมีเวลามาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเรามีบุญมากได้มีโชคมากการรีบตักตัวโอกาสจะน้าขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ามันจะหมดนะ ชีวิตเราก็น้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่แต่ละวันวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่ถามตัวเราเองอยู่เรื่อยกาลังหาทรัพย์ายนอกหรือกำลังหาทรัพย์ไปไหนกําลังหารานยศเสริญสุขด้วยกําลังหามารสรสลัลาายทรัพย์เนี่ยถ้าไม่ถามเดียวมันไม่รู้ไงเผลเอไปชอบไปหาเงินไปเที่ยวกันเรื่อย ได้เงินมากก็ไปเที่ยวไปซื้อของช้อปปิง้งซื้ออะไรต่างๆอันนี้กซับภายนอก <S <S ถ้าเราเตือนตัวโอ๊ยกรา็องจะไปช้อปปิง้งเองินนี้ช้อปปิ้งไปทําบุญดีกว่าไปอยู่วัดดีกว่าออันนี้ก็เป็นวิธีแก้ก่เลยแล้วต้องสอบถามตัวเราเองอยู่นเนื่อยม้บางทีหลงไปลืมหลงลงืมหรือว่าเราควรจะาสะสมมาเรียบซับซับไปไหน กับบริษสมทรัพย์ภายนา อ, อกความสุขภายนอกกันแต่ไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเลยอโอเคนะอาจแล้วนะครับน้อมนํำไปติบัตดครับอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับ่านต่อไปอาจารย์พรพิไลคนนั ก, กลูกนั ก, กลูกไม่อยู่เลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะ คิดว่าไปสังสรรค์เนืสการ์ค่ะพราเจ้านื้อสการ์พรจไม่มีงานสังสรรค์กับเพื่อนฟูอ๋อไม่ไม่หลัะสังสรรค์เพื่อนฟูวันนี้ไปห้างอาจารย์ได้เช้าทีไหนไม่หนาก็เพียงแต่ถามดูอาจจะไม่ไม่เห็นไม่อกี้อะไรคิดว่าอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนอ๋อไปแบบไปไปดินไปดินเน่าเน่อะไรกันช่วงนี้นัดไปห้า ขาดไปทนทุกทีไม่สบายไม่สบายไม่ทำเมื่อตอนสิ้นเดือนก็นับเี่ยวหนึ่งปวกตึกดำสิบเก่าเราเป็นการลบชื่อออกจากบัญชีได้ตอนเราเปีนสองคนสองคนก็โอเคครับเรียบรอยดีสัจธรรมความความจริงของชีวิตเนี่ยต้องมีการทัาทาจากการเป็นธรรมดา อย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันยอมนัดมันนัใจเราจะไม่ทุกข์เหมือเราเป็นผู้โดยสารที่สนามบินต่างคนต่างรอเครื่องอุดอนเห็นไฟของใครก็ไปเลยให้เู่ทากค่า่ทุานครบอกว่าถ้าไปเลยก็ดีค่ะมันไม่ไปเลยนะคะมันก็ไปไปติดอยู่ตรงนุ้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนี้พอสูงไวัยเจอกันบอกว่าเวลาใครเขานัดเน่ะ รีบมานะพราที่น่าจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อโอเคนะเอาสะสมเอารั์ภายในบ้างนะอย่าลืมซั์ภายในค่ะคับปฏิบัติการงบเสร็จกันคุณนัทใช่ไหมคุณนัทกลับนวัตกรรมครับนวับกรรมครับอาจารย์ครับวันนี้ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยครับผม เอิญว่างานทังโลกเยอะครับทุกท่านอย่าสะสมให้หาอยหาสตางคมากกันไปให้มาหาสติบ้างครับผมครับพระอานน้อ์น้อมน้อมรับไปครับเพราะเมื่อกี้ก็ฟังที่พระอาจารย์อ่าได้ได้เทศสอนอ่ากัลยาณมิตรท่านว่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกครับทรัพย์ภายนอกพอมีพอกินก็พอเอาเวลามาทรัพย์ภายในบ้างครับครับอาจารย์พยายามสะสมอัลยทรัพย์อยู่ครับพระอาจารย์ออื ไปไปปฏิบัติมาเมื่อเมื่อสออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็ไปใช่ไหมที่ไปใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นย<ด>ังดีไหมดีค่ะสงบจากที่เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่บ้านจะแบบเหมือนทาสมาธิลดเวลาลงเรื่อยๆซึ่งจริงๆเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าพยายามปฏิบัติอย่าน้อยก็อยากให้ลดลงอันนี้ก็คือที่ผ่านมาคือด้วยด้วยจัดสรรเวลาอาจจะไม่ดีพอมันลดลงเรื่อยๆค่ะพอได้ไปทําไปปฏิบัติก็เหมือนได้ชาร์จแบตค่ะพระอาจารย์วันหนึ่งก็นั่งสมาธิแบบ ต่หนูจะนั่งได้ทีละประมาณเต็มที่สักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะแต่คือทำได้เรื่อยอะค่ะพระอาจารย์ทำไม่ได้เรื่อยทำทั้งวันทั้งคืนทําทั้งวันเนี่ยค่ะก็คือได้เหมือนสะสมได้หลายชั่วโมงก็ก็เลยมีแรงบันดาลใจกลับมารอบนี้พยายามจัดสรรเวลาให้อย่างน้อยแบบพยายามมาไม่เกินไม่ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เวลาของการนั่งก็บางทีก็ไม่สาคัญนั่งกับคุณภาพของการนั่งค่ะถ้านั่งแ้วจิตสงบเนี่ยดี แต่ถ้านั่งก็ไม่สงบถึงแม้จะนานมันก็ยังไม่ดีเพราะเป้าหมายของการนั่งเรานั่งเพื่อให้สงบไม่ใช่นั่งเพื่อเอาเวลาเราจะสงบไม่สงบ ก, ก็อยู่ที่สติมันต้องฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งเหมือนตอนที่ไปนั่งอะคะ่ะเหมือนเหมือนรู้สึกตัวเองเลยว่ามันจะได้เหมือนสติอ่ามันมันเริ่มสงบเมื่อเวลาผ่านไปแบบพอผ่านไปสักพักมันก็เลยรู้สึกว่าเออพอ พอมานั่งเหมือนเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นนคือพอทําน้อยอะคะ่ะอาจจะสติระหว่างวันอาจจะไม่ดีพออย่างที่พระอาจารย์ว่าก็ได้คะ่ะคือทําทให้มานั่งเหมันจะใช้เวลากว่าจะเริ่มสงบมันจะมีใช้เวลาหนึ<ช>่งค่ะพระอาจารย์ก็ต้องฝึกสติให้บา้างๆการนั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายๆได้เร็วได้นานค่ะพระอาจารย์จะพยายามต่อไปไม่หยุดค่ะพระอาจารย์ถ้ากลับไาได้ก็กลับไปบ่อยๆเล่อยกลับไปเกื้อของเรื่อยๆค่ะ ต้องต้องขอบคุณแบบรู้สึกขอบคุณผู้ก่อตั้งสถานที่ขอบคุณคนดูแลสถานที่มากๆเลยค่ะ uh huh. เพราะว่าแบบสงบแล้วก็แบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะพระอาจารย์เมื่อเช้าก็มีชามวมาเลเซียบอกไปอยู่มาเจ็ดวันมาโอ้โหดีมา้เกินสงบไม่เคยเจอที่สงบเลยปลอดภัยเลยค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ครับผมผมเอก็จะพยายามมีสติสมาธิให้มากขึ้นครับก็ตามตามหลังคุณแอดก็มาครับก็ได้ได้เขาเป็นแบบอย่างก็พยายามปฏิบัติตามแล้วก็พยายามเข้าซูมมากราบพระอาจารย์เพื่อสร้างกําลังใจเพิ่มเติมครับน้อยนเวลาทํางานน้อยลงเลยได้ครับอาจารั์ขอบครับครับพอกินพอใช้ก็พอไม่ต้องไปเริ่มรวยแล้วได้ครับตายไปก็นที่แค่คนอื่นหมดจริงครับอาจารเหมือนเหมือนแบบ พี่หลังเสือแล้วอะค่ะคือแบบว่าจริงๆตอนเนี้พอพอใจแบบเหมือนพอกินพอใช้ในระดับนี้แล้วค่ะแต่แบบเหมือนมันเป็นความรับผิดชอบหน้าทีนะคะอาจารย์ก็พยายามลดลดการรับผิดชอบให้น้อยลงไปครับไม่อาจารย์ไม่มีทำไมไม่มีการบังคับเราเราเราไปรับคํารับผิดชอบเอาเองครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยว ถ้าดูเดี๋ยวเรื่องการทํางานก็เดี๋ยวเาจะพยายามน้องน้องนําคําว่าอาจารย์ไปลองปรับใช้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีลูก น, น้องมีอะไรมาทํางานกันมากขึ้นก็จะสรางผลดีขึ้นพอในปีใหม่ก็อาจจะแทนที่จะตั้งงบประมาณงบรายรับให้สูงด้วยก็ปรับให้มันลงบ้างดูเนี่ยลดลงปีนี้เราไม่ต้องทําลดสิบเปซแทนที่จะเพิ่มสิเปอร์เซ็นต์เราลดสิบปอร์เซ็กันดีกว่า ใ่ก็ได้มีเวลาปฏิบัติทางธรรมมากขึ้นครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ลูกตาจนบุรีเหมือนกันเป็นไงยังถอดถอดเทศอยู่ไหมาถอดอยู่ค่ะวันนี้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จไปค่ะเป็นไงดีไหมได้ความรู้ดีไหมได้ค่ะถอดเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะ บอกน้อยหนูก็ได้รู้ว่าคนเราไม่ได้จับฉลากมาเกิดค่ะพระอาจารย์บุญกรรมเป็นตัวพางเรามาเกิดกันสิ่งต่ําก็อยู่ที่บุญหรือบาป ท, ที่เราทําเองค่ะก็ถ้ายังแบบชัติหน้าอยากจะเป็นอะไรเราก็ต้องกําหนดของเราเองใช่เราเป็นกรรมเราไม่กรรมเป็นของของเราอจะทํากรรมอันใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะอาจารย์เข้ามาร่วมฟังถามนีค่คุณนาลตาเดี๋ยวนาลตาอาจารย์เกี่ยวกถามบอกมาก่อนเดียวครับอาจารย์คนที่มีคําถามเดียวเจ้าค่ะคำถามเดีย ว, อยวโอเคามาเลยอ็เชื่อนหนูจะตื่นมาปฏิบัติประมาณตีสามถึงหกโมงห้าสิบแล้วตอนตอนเย็นก็จะปฏิบัติประมาณพุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่ม แล้วก็บางวันก็จะมีช่วงเที่ยงถึงใบ่ายโมงด้วยเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันมันปฏิบัติดีแค่บางวันมันติดต ด, ดับดับอย่างเช่นวั น, นวันนี้ทําได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะตื่นไม่ไหวเลยมันจะทําไม่ได้ไปอีกหลายวันแล้วก็ค่อยมาทําได้อีกแล้วมันก็จะทงัทงไปอีกหลายวันอย่างเนี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็จะค่อยค่ยกลับมาทําได้อีกแล้วมันก็จะพังไปอีกเลยอยากจะเรียนขอคำชี้แนะครูอาจารย์ว่าทํำยังไงให้มันสม่ําเสมอดีเจ้าค่ะ ก็อยู่ที่กำลังของสติของเราเนละยพยายามเจริญสติให้มากๆทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติเท่เวลาเราไม่ปฏิบัติเราก็ต้องเจริญสติควบคู่ไปกับสิ่งที่เราทำด้วยถ้ามีสติสม่ำเสมอการปฏิบัติมันก็จะ ส, สม่ำเสมอ พ็ที่เราตื่นไม่ไหวที่เราที่เรารู้สึกเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าเราปฏิบัติไม่ไหวอย่างนั้นแก้ยังไงเจ้าคอก็ฝืนมันเถอะอย่าไบื่ออ่เราบอกว่าเมื่อวานนี้เราทําทําได้วันนี้เราก็ต้องทําได้อย่าปล่อยให้ความ ร, รู้สึกมันมาเป็นตัวหลอกเราต้องฝึกไม่งมันก็ติดอยู่อย่างนี้มันก็จะติดอยู่ในวัฏจักรแบบนี้ต้องฝืน ไปทางง่วงก็ต้องไ ม, ไม่ไม่ลับไม่นอนหรือนี่สัตว์ชิกไปก็ได้ถึงสามิยาบทก็ขอบหรืออดอาหารนี่ก็ได้ช่วยลดรากายง่วงเหงาขานอนได้กินให้น้อยหน่อยโะขอได้ขอบถ้าจะกินแบบปกติมันก็จะเกิดปัญหานหี่แน่นอนโตขอบกินมากมันก็ต้องมันก็อยากจะนอนมาก ถ้ากินน้เหมือนกันเหมือนความอยากนอนน้อยเหมือนก็เหมือนก็เนี้อยากน้อยเพราะเวลามันถิวมันมันไม่ง่วงอยู่แล้วมันไม่มันไม่หลับก็ขออ๋อจะขอได้จะหุงลดการกินได้ลดอาหารลงแล้วไม่กินวันสลับวันกินวันไม่วันแล้วกินวันละเมื่อดูอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะถ้าเป็นนักปฏิบัติพเขาจะสอนนักปฏิบัติต้องกินด้วยเดียวก็ขอ ชุดนดงควัตฉงพระชันเมื่อเดียวชันด้บาทก็ขอพระอาจารย์ชันหน้าแล้วมันจะเป็นนิวรนขึ้นมาง่วงเาหงาเฮานอนก็ขอเอาง่วงนอนแล้วก็ไม่เอาเลยนอนดีกว่าเจขออืมนะในการในการการผ่อนอาหารในการกดประมาณอาหารลงก็ขออืมหมดแล้วเจ้าข อ, ขอะอาจารย์ลองทำดูรับประกันได้ว่าทุกคนที่พปฏิบัติท้งรู้ในท่านชันเมื่อเดียวกนะันยั ขอันถึงไม่แคมีนิวรันเกี่ยวกับกัรเรื่ความง่วงเหงางนอนก็พอบางทีกินพื้นเดียวยังไม่พอบางทีกินวันเว้นวันก็มีกินกินสามกินวันหนึ่งอดสามวันก็มีสลับกันไปก็พอมันจะทําให้ความเพียนนี้มีกําลังมากขึ้นไม่ง่วงเหงองนอนก็พออาจารย์ลองทำดูรับประกันได้ถ้าถูกใจเลย น, นะยนถ้าไม่ถ้าไม่ถูกใจเลย พออดอาหารยิ่งหิวอหญ่ยิงย่งเครียดใหญ่ยิง่งไม่มีสติใหญ่ก็ช่วยไม่ได้ก็หาวิธีอื่นนลองไปอยู่ที่ป่าช้าอย่างเงี้ยอยู่ป่าช้ามันก็จะไม่ง่วงมันก็จะไม่ขี้เกียจเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําเดี๋ยวไปลองทําดูเจ้าค่ะอาจารย์โอเคนะะขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงกาบเจ้าค่ะสาธุคุณนิสา L A น้อมกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะใช่ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยถ้าไม่แก้วหน้าก็อย่าอย่าแก้วหลังก็แล้วกันนะพยายามค่ะพระอาจารย์แม้แตอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะค่ะเรื่องที่ที่บอกว่าอาจารย์ม่ช่างมาทํางานใช่ค่ะอันนี้ รอบนั้นเสร็จไปแล้วนี่ช่างมารอบใหม่ค่ะอาจารย์ก็รายละเอียดเหมือนเยอะค่ะอันนี้รอบบ้านค่ะอาจารย์ต้องระวังอย่าให้มันมากระทบกับการปฏิบัติของเราเี่ก็ปักตัวได้ค่ะพระอาจารย์ก็หาหาที่สงบแล้วก็พยายามมีสติในระหว่างวันค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะพยายามรักษาระดับของการปฏิบัติอย่างน้อยก็อย่าให้ลดลงถ้าไม่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นก็อย่าให้ลดลง ค่ะอาจารย์พยายามต้องลงก็ขาทุนต้องต้องถ้าถ้าบางวันถ้าแบบว่ารู้สึกว่าลดลงก็ไปเพิ่มอีกวันหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ว่าที่ที่สําคัญคือตอนนี้พยายามมีสติอะค่ะโททั้งวันค่ะอาจารย์ค่ะอ๋อค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ขอให้พระท่าขแข็งแรงค่ะจ้าพระคุณโุษาเวลาที่วา่าน นักัตการกับพระอาจารย์โยมโ<ง> ย, ยมมีคําถามหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ปว่าคือตอนที่โยมอยู่บนเขาใช่ไหมคะโยมอยู่เรือนที่สูงที่สุดของของของบนเขาค่ะเรือนเจนงค่ะใช่<ง>อยู่ที่สูงที่สุดคือพอมองจากทางหน้าต่างมาเนี่ยมันจะเป็นเรือนยอดของต้นไม้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่เห็นคนอื่นแต่ทีนี้มันจะเจอตรงที่ว่าพอโยมภาวนาค่ะตอนเข้าที่ภาวนาพอหลับตาปุ๊บ ตัวโยมหายไปเหลือแต่ลมหายใจแล้วก็เห็นแต่เรือนยอดไม้อย่างนั้นนะคะอาจารย์สภาพแวดล้อมก็หายไปมีแต่ลมแผ่วๆที่ริมฝีปากเงี้ยค่ะอาจารย์โยมอยากรู้ว่าอาการแบบนี้มันคือออกส่งจิตออกนอกหรือเปล่าอะคะก็ยังไม่สงบจิตมันยังปรงแต่งอยูย่ต้องดูลมไปด้วยๆ <ฮ Wh. S 1> อยา่าไปสนใจกับ อ, อาการที่ปรากฏขึ้นค่ะ ถ้าจิตสงบแล้วมันจะว่าถ้ายังไม่สงบมันก็ปรุงแต่งได้คือมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ก่อนมันอยู่ๆพอหลับตาปุ๊บตัวหายสภาพแวดล้อมหายมีแต่ลมแล้วก็สีเขียวๆโยมก็ไม่สนใจหาะโยมก็ดูลมไปเรื่อยๆแต่มันก็รวมนะคะแต่พออีกวันหรือจะครั้งต่อไปมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้จนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็เลยสงสัยค่ะจะมาถามอาจารย์ว่าแสดงว่าเราจะ มันเป็นผลของความคิดปุงแต่งม่งจิตปุงแต่งขึ้นมาเป็นอันนี้จังไอ้ที่เป็นอนัตตาเราก็กลุ้มทำมันไม่ได้เราอย่าไปสนใจมันเรให้อยุดกอดติดอยู่ก็ลมไปถ้าเราใช้ลมก็อยู่กับลมไปถ้าเราอยู่กับลมไปเดียวมันก็จะหายไปเองใช่ค่ะคือยมก็จะใช้วิธีดูลมต่อไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะรวมแต่รวมได้เร็วนะคะอาการแบบนั้นรวมได้เร็วแล้วก็อยู่ได้นานด้วยผ่าจา์ ถ้ามันดนถ้ามันต้องว่างไม่มีอะไรเลยอีกแลใช่ค่ะไม่พอคือแรกๆเริ่มพอหลับตาปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นนะคะตัวเราหายไปทุกอย่างแต่เราก็ไม่สนใจนี้มันก็รวมแล้วก็ทุกอย่างก็จะนิ่งว่างไปเลยค่ะจัะนถ้าเราต้องการไปตรงตรงจุดนั้นถ้ามันเน้นให้มันว่างถ้ามันมีความสงบสบายใจใช่ค่ะคืออันนั้นไปรอบนี้คือการที่นิ่งแล้วว่างนี่นานนานเลยค่ะจันนานแล้วก็พอออกพอออกจาก สมาธิก็คือตัวเบาไม่เมื่อยไม่อะไรแบบนี้โยมรู้สึกตัวเบาใจเบาเป็นแบบนั้นถ้ า, ถา<ต>เรา ม, า, ามีความจำนานทางสมาธิแล้วก็เวลาออกจากสมาธิมาแล้วลองพิจารณาร่างกายบางไปได้ค่ะโยมก็เอามาใช้อยู่แต่โยมก็สงสัยไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรพอหลับตาปุ๊บทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะมันเั็นนิจําทุกขงหน้าตาค่ะตอนนี้ก็ ตอนนี้โยมกลับมาบ้านยมก็เอาคําที่อาจารย์เขียนเป็นธรรมะสั้นๆในในเฟซบุ๊กค่ะที่บอกว่าปัญหาของเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่อยู่ที่อารมณ์เดียวให้อยู่กับอารมณ์เดียวยมก็เอาคํานี้มาใช้ค่ะอาจารย์ขับรถจากสุงไงกแวกไปสุงไงโก้ลง16กิโลนะคะยมลองอยู่กับอารมณ์เดียวมันทําได้นะคะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าการที่เรามาท่องพุตโต้ค่ะสําหรับโยมนะคะ อ, ออะอยู่กับอารมณ์เดียวโยมทำอะไรอยู่กับอารมณ์เดียว ดีคะ่ะได้ผลดีแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานคะ่ะนั่งเก้าอี้นั่งนิ่งๆแล้วก็ลองหลับตาเขาก็รวมได้ง่ายคะ่ะอาจารย์รวมเองนิ่งไปเอง ค, ะอค่ะอาจารย์โยมตอนนี้ก็นนพยายามทำนนค่ะ น, นี่ยังอยู่ในขั้นสมาธิอยู่น ะ, ะต่อไปก็อาจจะต้องขยับขึ้นทางปัญญาบ้างโยมต้องทํายังไงต่อไปคะก็ <c oughs> คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ปลงวาง ทุกข์กับมันไม่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายถ้าทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้ว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความยาอยากอยางไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายแล้วเราไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายด้วยความอยากได้ไห e? มก็ไม่ได้เยอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหน้ากายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่มันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เราไม่อยากให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย ให้เรา้งหยุดควาอยากทำใจวางเฉยแล้วมันจะแก่ก็แก่มันจะเจ็บก็เจ็บมันจะตายก็ให้มันตายไอเรื่องเรื่องแก่นิยมไม่ได้ติดใจนะคะอาจารย์เรื่องเรื่องแก่นิยมก็ดูตัวเองเหี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ทุบขึ้นมาก็ดูเรื่องเจ็บต่อไปค่ะเรื่องจะเป็นโรคเบาเเดงโรคอะไรขึ้งมาไอเรื่องเรื่องโรคภัยแค่เจ็บนิยมก็ไม่ได้กังวลนะคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องเจ็บนิยมกลัวเจ็บค่ะตรงนี้ ่ะก็ต้องต้องพิจารณาความเจ็บอยู่กับมันให้ได้มันห้ามันไม่ได้ตอนนี้เหมือนยมไม่ช้าก็เร็วค่ะยอมยมได้ข่าวเพื่อนที่รักกันมากๆค่ะเขาเป็นมะเร็งในช่องท้องพอรู้สึกปุ๊บก็รู้สึกก็บอกเขาว่าเรามันมาถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงเราคุยยมพูดกับเพื่อนเราถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วยังไงมันก็ต้องร่วงช้าเร็วมันก็ต้องร่วงค่ะ เราอย่าไปทุกกับความเจ็บแล้วกันความเจ็บเราไล่มันไปไม่ได้หรอกมันมาแล้วมันมามันจะอยู่ก็ต้องให้มันอยู่อตอนยินดีต้านหน้ามันแล้วเราจะไม่ทุกข์ใลังเกียจไปแล้วเราจะทุกข์โยมจะพยายามนะคะอาจารย์แต่ว่าสําหรับเพื่อนนี้โยมไม่รู้ไม่กล้าปลอบใจเขาว่าค่ะโยมไม่ต้องไปปลอบนะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่มาปรึกษาไม่ต้องไปไปไปยุ่งกับชีวิตของเขาใช่ค่ะคือแบบ พอเขาพูดมาเขาบอกว่าเออเขาเป็นมะเร็งช่องท้องนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโยมก็ฟังเสียงเขาเหนื่อยโยมก็บอกรักษาใจนะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะแค่บอกว่ารักนะแต่ว่ารักษาใจเอาก็รักการแต่ไมื่อนจะพูดยังไงค่ะจะมันไปไม่เป็นทำไมเช่าไปสอนเขาเลยทำไมเขาไม่ให้กําลังใจเขาว่าสู้ต่อไปนะเออโยมโยมว่าถ้าสู้ต่อนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็จะสวนโยมโยมว่ารักษาใจก็แล้วกัน ยมไม่จะพูดยังไงค่ะอาจารย์ยมพูดไม่เป็นเลยไปไม่ถูกก็ไม่ต้องพูดก็แล้วกันขอแสดงความเสียใจด้วยยมก็บอกว่ายมก็บอกรักเขารักนะเป็นกําลังใจให้นะประมาณนั้นนะคะอาจารย์แต่เราก็รู้สึกว่าอยู่ไปนานๆนะอย่าเพิ่งจากกันนะอย่าเพิ่งเต้นกันไม่ไม่กล้าพูดเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวโดนเพื่อนกําลังเราไม่รู้อารมณ์เขาไงค่ะอาจารย์ยมได้แต่นิ่งพขพยายามหน้านั้นแล้วกันเขาว่าอะไรนะคะ เออเฉยๆไปก็ป<ช>แล้วกันถ้าให้เราพูดแล้วก็เฉยๆไปใช่ยมยมพูดยมไปไม่เป็นเลยเราจะพูดยังไงเพราะว่าเราไม่รู้ภาะวะอารมณ์ของเขาค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขาจะหดหูอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคะ่ะอ่าเาไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดเลยใช่ค่ะจะรู้สึกแบบอใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างค่ะอาจารย์<ม>ค่ะยมจะพยายามต่อไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสาธุค่ะคุณจารึ ก, รกา ใช่นะมาป้นนนะาอาจารย์ท า, ทางเหมือนเดิมนะโอเค น, นี่อิวัตดูโอเคงัไปที่ท่านต่อไปเลยคุณหมอภาออรรสนะ ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เห็นที่พระอาจารย์เขียนค่ะเออก็เลยเชื่อจะพ่าะว่าการมีก็ไม่มีอารมณ์เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะอาจารย์เข้าใจ การไม่มีอารมณ์เนเรื่องปกติใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เขียนไว้ะคะ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วก็แล้ว ก, ก็ดูดูไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็ยังดูไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีอารมณ์แล้ววันศุกร์ก็จะจะมีข้อสอบแล้วค่ะเดี๋ยวไปตรวจตาอีกแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะพระอาจารย์ก็จะได้ไปดูว่าเป็นยังไงอืค่ะแล้วแล้วก็พรุ่งนี้พระอาจารย์นิพนธ์ก็จะผ่ามาท่านท่านมาอยู่ศรีราชนะคะก็ได้ไปทําบุญพาคุณพ่อไปทําบุญ ค่ะเดี๋ยวพรุนี้ค่ะแต่ก็ท่านสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ยังคุยกันแล้วท่านก็ยังให้กำลังใจแล้วก็อวยพรด้ว่าไปหาท่าน่ะท่านจำได้ค่ะอืก็เดี๋ยวแต่คงไม่นะ่ามีอะไรเาพผ่าแค่เดินน้ําค่ะมันจะมีไม่มีอะไรแล้วเราก็กําหนดไม่ได้หรอกมันจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มี ค่ะผู้อาวาุโสแต่เราก็ได้ทําบุญแล้วได้บุญเราได้ทาบุญก็ดีแล้วบอกแล้วก็เรียนพระอาจารย์ว่าถ้ามีอะไรก็บอกได้เลยเพราะว่าได้ทําบุญเนี่ยก็ดีใจว่าครูบาอาจารย์มาได้ดูแลโชคดีค่ะดอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อแม่น้องหมิ่นแม่น้องหมิ่นยังไงเ<า>จ็บไข้ได้ปว่วยตาถูกค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะพระอาจารย์ได้ยินจ้ะ อ๋อของหนูค่ะพระอาจารย์ปัจจุบันก็แบบเจอของเองจ อ, จอจโรคภายแค่เจ็บแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้สนุกค่ะพระอาจารย์หมดหมอบอกว่าถ้าปีหน้า น, นี้งอกหนุ่มมีขึ้นมาอีกก็จะผ่ารอบที่ห้าค่ะพระอาจารย์เฉพาะสมองนะคะหนูบอกว่าได้เลยค่ะแบบก็ไม่มันไม่กลัวแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบลุยค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็น ใช่ก็ไม่กลัวใช่ค่ะพระอาจารย์เลยสนุกกับการใช้ร่างกายเหมือนรถยนต์นะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วมันก็คือมันหนูสังเกตตัวหนูคือนอนน้อยอะค่ะพระอาจารย์ตาเปิดใบมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาร่างกายนี้ไปทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทําอาหารทําในสิ่งที่ประโยชน์กับคอร์สตัวค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะพระอาจารย์จากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์คะคือก่อนหน้าหนูชอบออกกําลังกายลดน้ําหนักค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือออกกําลังกายแต่มันก็อ้วนนะคะพระอาจารย์เพราะว่าจากไซส์เอเป็นใช้์เอคเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเห็นอะไรก็อร่อยอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมีความสงสัยเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ฉันแค่มื้อเดียวท่านถึงอยู่ได้ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยมาพอหนู ดูปฏิบัติทำแล้วลองทานอาหารวันละมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นว่าโอของดีเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องกินยาลดน้ําหนักแล้วก็ก็เลยแบบแบบไม่ต้องไปออกลงกายไม่ต้องไปพิชเชนใช่เขาบอกอาจารย์หนูก็เลยบอกโอ้โหแต่ก่อนหนแบบเล่นจิมบอเล่นหลายๆอย่างค่ะพระอาจารย<ม>์แล้วประเด็นคือพอใจแบบดีแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์ ก็ไม่มีปัญหา ล, โลดโรคปวดไหล ย, ย้อนอะไรที่เคยเป็นก็ไม่มีปัญหานะคะพระอาจารย์กลายเป็นว่าหนูไม่ได้กินยาอะไรเลยค่ะในปัจจุบันอ่าในธรรมโอษฐ์อันี้โอ้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูแบบว่าโอ้ร่างกายหนูจะพังจะหนุนแบบมีความสุขมากเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องมากินยาเหมือนแต่เดิมเลยค่ะแล้วก็ลุยทํางานได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าไม่ไหวก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าหนูสังเกตนะคะพระอาจารย์ ถ้าฟังเพลงอะไรเงี้ยกับเขาไม่ได้นะคะพระอาจารย์จะกลายเป็นง่วงโนแล้วตัวไม่ได้กระดิกเหมือนเดิมอะคะ่ะพระอาจารย์เลยไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรอะค่ะพระอาจารย์ ม, มันเป็นอัตโนมัติเลยะคะ่ะพระอาจารย์เราชอบคำทั้งหมด่าไปยังไงมันะใช่ค่ะถ้ า, ถ, าถ้าไปไปกับเขากลายเป็นนั่งหาวเลยคะ่ะพระอาจารย์เอ้าก็เลยตลกมันเป็นสภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่ยังไม่เป็น ยังไม่ได้ผ่าตัดนี้ค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ลุยปฏิบัติะคะ่ะจะมีความสนุกล่างกายจะแบบเต้นอะไรไปตามเสียงดนตรีนะคะพระอาจารย์แต่พอลุยปฏิบัติกายเป็นนิ่งเหมือนต้นไม้ไม่ขยับเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ mm hmm. ห่าด้วยค่ะมีห่าด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่รู้ะคะ่ะ mm hmm. เขาเห็นว่าหนูผ่าสมองเยอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางโรคโรคที่หนูเป็นนะคะ แต่ข้อดีคือหนูไม่ชักนะคะพระอาจารย์แล้วอยู่ได้แบบได้ธรรมโอสถเนี่ยค่ะเลยไม่ได้เป็นโรคเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้กินยาเลยค่ะพระอาจารย์มันเป็นได้กินแต่เวลาทานอาหารก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายนี่ค่ะพระอาจารย์อ่าดีรักษ า, <พ>าใจไว้ให้ใจมีความสงบแล้วทุก อ, อย่างจะไม่เป็นปัญหาตกลงพระอาจารย์โอเคสาธุพระอาจารย์ วันแนเชิญอันนี้อยู่ที่ไหนหลังนมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นเหมือนกันเจ้าค่ะวันนี้มาจากที่ไหนมาจากเซียโต้ค่ะเซียโต้10ชั่วโมง11ช่วโมงวันนี้1ชั่ว1ชั่วโมงค่ะโดยประมาณไม่ไม่ไม่ไม่แวะที่ไหนเนี่ยบินยาวเลยค่ะบินยาวเลยค่ะของญี่ปุ่นไม่มีไม่มีแวะ บินยาทุกไฟล์เลยค่ะทําไมต่อนี้ยเาแวฮาวายครึ่งทางค่ะเกียวฮาวายแล้วก็เอลเร์แลซานฟานค่ะขึ้นสมัยใหม่เดี๋ยวนี้บินได้สิบห้าสิบสี่สิบห้าโมงนะคะค่ะแวะไม่มีอะไรค่ะนดีว่าแวะมามากราบหลวงพ่อก่อนค่ะเหนื่อยแล้วก็อยากจะเข้ามาจอยอ่ามันก็นอนค่ะเดี๋ยวนอนแล้วพี่รากลับบ้านค่ะนี่เด็กกันนะเน่ะที่ตัวเกียวนี้ก็ สิบเอ็ดเือบสองยาวสิเอ็ดทุ่มค่ะค่ะห้าทุ่มค่ะตอนนี้ค่ะเร่วเร็วกว่าเมืองไทยสองชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินได้พักหลายวันก่อนจะบินใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านก่อนค่ะแล้วก็หนูลาลาหยุดยาวแล้วก็เดี๋ยวไปรับคุณอ่ามีบินไปรับคุณพ่อบินไปออสเตรเลียไปรับคุณพ่อคุณพ่อไปอยู่กับพี่สาวแล้วเดือนหนึ่งเดี๋ยวรับกลับมาอยู่กลับมาเมืองไทยค่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะ อาทที่แล้วที่ที่ไปไปหนูก็ขึ้นเขาไปที่ไปไปปฏิบัติอะค่ะเห็นหลายอย่างเลยค่ะเห็นแต่เห็นที่เห็นนี่คือความขี้เกียจเห็นกีิเลสเห็นกิเลสเห็นแต่ความขี้เกียจความม่วงค่ะแต่แต่หนูว่าแต่หนูรู้แล้วค่ะว่ามันมันน้อยไปไปอยู่สองสองคืนนะคะหลวงพอหนูว่าสองอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ดีใช่ค่ะเหมือนสองคืนแรกมันเป็นความมันจะมีแต่ความใช่ค่ะรู้เลยว่า ง่วงนอนแต่ว่าก็คือง่วงนะคะนอนสลับกับลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็ไปนอนอีกแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งทําสมาธิแต่ก็รู้สึกได้ว่าเขารู้เลยว่ายังไงมันก็คือเหมือนกับเราเร า, เรายัางยังปรับตัวไม่ได้แล้วมันเวลามันน้อยไปค่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติไปจริงๆเนี่ยต้องต้องพยายามฝืนตัวเองให้มากกว่านี้จะลองไปถ้ามีเวลาอยากจะไปสักห้าวันขราวหน้าค่ะลองดูงกินกินอาหารให้น้อยลงหน่อย แต่หนูอยู่แต่หนูกินอาหารไม่มีปัญหารเรื่องทาน<ม>อาหารมื้อเดียวค่ะห<ม>ลวงพ่อเพราะว่า<ม>เป็นแอร์นี่มันเหมือนทําเหมือนทําอดอาหารเป็นเป็นเป็นความเคยชินไปโดยไม่ไม่ได้รู้ตัวค<ม>่ะหลวงพ่อเหมือนกับอย่างตอนหนูแลนด์ที่ที่แต่ละที่ใช่ไหมคะสมมติไปเซีท์โอลต์อย่างเงี้ยหนูแลนดก็เป็นเวลาหนูก็ง่วงใช่ไหมคะหนูก็นอน<ม>นอนเป็นแบบสิบชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาก็กินมื้อนึงแล้วก็ตื่นอีกทีก็ ไม่ได้กินอะไรกินถั่วกินอะไรเป็นหบบกินอาหารนกเล็กๆน้อยๆให้ให้พอมีอาหารลงท้องอ่ะค่ะแล้วก็ไปทํางานสิบชั่วโมงบินสิบชั่วโมงก็ระหว่างไฟก็กิกนมื้อเดียวอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เลยเป็นเหมือนเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วพอพ อ, พอช่วงที่ไปอยู่บนเขาอ่ะค่ะทานมื้อเดียวก็ไม่มีหิวเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องกินอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่หลวงพ่อพูดหนูว่าจริงเลยค่ะที่ที่ พอเราไม่หิวเออยพอเราเราไม่กินเยอะค่ะมันมันนั่งได้โดยที่เราไม่ไม่ง่วงอืมแต่ด้วยความที่หนูหนูนอนเยอะมากอ่ะมันก็เลยการวัดมันก็เลยองปรับตยากก็ค่ะมันยังแบบมันนอนเยอะจนตามันสว่างแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีสติเพราะว่านั่นแหะค่ะหลวงพ่อหนูหนูว่านั่นแหะค่ะสองวันมันมันน้อยไปมันยังไม่ทันที่ปรับปรับสมองปรับ การใช้ชีวิตค่ะมันใช้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงคิดว่าต้องไปต้องไปให้ได้มากกว่าสามวันเป็นอย่างน้อยคราวหน้าไม่งั้นมันไม่เห็นผลแต่ว่ามันสงบค่ะข้างบนข้างบนดีจริงๆเลยค่ะหลวงพ่อเดินออกมาไม่ทันจะมองไม่ทันจะมองอะไรเจอกวางยืนกินกินเลมญ้าอยู่หน้าหน้าที่พักเลยค่ะค่ะ เงียบสบายแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวด้วยค่ะหลวงพ่อเหมือนกับว่าไปรอบนี้แค่ไปได้ไปไปลองดูว่าอาการตัวเองเป็นยังไงอยู่ได้ไหมถ้าถ้าต้องขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าไปคราวหน้าน่าจะดีถ้าถ้าได้ไปอยู่สักห้าวันขึ้นไปค่ะจะพยายามทัห้ห้าหม<ล>ให้นั่งให้มันสงบไปได้ค่ะนี่คือปัญหาของหนูแล้วค่ะหลวงพ่อหนูยังยอมรับเลยว่าว่าติดกับเรื่องการนอนมากเพราะว่า อพอพอเหมือนกับให้เลือกระหว่างกินกับ น, นอนหนูก็ก็นอนพอให้เลือกระหว่างนอนกับนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิาธไปได้แบบแค่แค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็รู้สึกว่าว่าอคิดตามที่หลวงพ่อบอกว่าถ้านั่งถ้านั่งแล้วมันไม่มีคุณภาพก็อย่านั่งเลยหนูก็เลยเลือกที่นนจะนอน ก, <laughs> ก็เลยไม่ไปพัฒนาสักทีค่ะก็เลยพอพอาว่านั่งไม่มีคุณภาพงั้นเรานอนแล้วก็ มันเหมือนกับว่านั่งไปแล้วไม่มีประโยชน์อยะะ่างเงี้ยค่ะนันนี้คือยังเป็นปัญหาของหนูอยู่โอเคแต่ฝึกซืยอะๆฝึกสติเยอ ะ, ะ, ะได้คะ่ะหลวงพ่อจะพยายามต่อไปคะ่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะสาธุค่ะสวัสดีคะ่ะอ่าคุณวิไลพรคุณหญิงเข้มากราบพระอาจารย์คะ่ะ้องทําพระอาจารย์อยู่ค่ะแล้วก็ต่อไปนี้จะ พยายามทำชีวิตที่เหลืออยู่อะค่ะพระอาจารย์แปลงหาหาจากซัภายนอกเป็นซัพบภายในค่ะโอเคสาธุตัดญาตซ้ำหนึ่งนะใช่ค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันนะคะธรรมะของพระอาจารย์อยู่ในใจของของโยมตลอดเลยค่ะเวลามีปัญหาอะไรธรรมะพระอาจารย์ก็ขึ้นมาตลอดกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเออคุณมาลีมาลีอุตากะ กับหลวงพ่อคะ่ะเป็นยังไงก็สงบดีค่ะหลวงพ่ อ, อปล่อยวางไดง้ปล่อยวางได้หมดแน่ก็ไ ด, ได้ได้เรื่อยๆค่ะหลวงพ่ อ, อก็พยายามพยายามเพิ่มได้เลยค่ะหลวงพ่อ อ, อย่าไปทำ อ, อะไรค่ะแล้วก็นึกถึงคําหลวงพ่ออยู่เสมอที่บอกว่าให้ทําตัวให้เหมือนแผ่นดินนะคะใครจะอะไรยังไงเมือมันสบายจริงๆ อืมค่ะแล้วก็เรื่องความสงบค่ะหลวงพ่อมีเวลาแค่ไหนเหมือนเหมือนมันมันสั่งได้ค่ะหลวงพ่อหนูว่าเออแปลกแตกดีหมายถึงว่ามันสามารถเข้าได้ค่ะหลวงพ่อรักษาความสงบได้ค่ะแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าพอมันพิจารณากายพิจารณาการสามสิบสองอุภคอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อระดับของ สมาธิอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หนูมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมันจะขึ้นไปอีกแต่แต่มันอยู่ระดับที่ว่าจะจะเลยจัดตรงนี้ไปหรือว่าจะขึ้นสูงไปกว่านี้มันมันกั้มเก่นที่จะเลยจัดตรงเนี้ยแต่หนูยังไม่ผ่านนะคะหลวงพ่อที่มันจะมากมากขึ้นกว่าที่หนูเป็นอยู่อย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อ ถ้ามันสงบด้วยปัญญานี้มันัางทีไม่ต้องเข้าสมาธิมันก็สงบนักสมาธิได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันจะมากกว่านี้อีกอะค่ะหลวงพ่อสมาธิตรงเนี้ยค่ะมันจะมันจะลึกเข้าไปอีกอะค่ะหลวงพ่อแต่แต่ยังยังไม่มันเหมือนมันเหมือนไปไปไปสุดเพดานของที่เรานั่งตรงเนี้ยแล้วอะค่ะความสงบตรงเนี้ยค่ะมันเหมือน ต้องไปพัฒนาทางคภามสงบจากปัญญาเปนเช่นปล่อยวางดับความอยาก<ะ>แต่มันต้องมีทุกข์มันถึงจะทําได้ต้องถ้าไม่มีทุกข์มันก็ใช้ปัญญาไม่ได้<ะ>ไมังนั้ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาแล้วก็ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกินยาก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมต้องให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแลก็เอายามากินถึงรู้ว่ายานี้ดีรักษาโรคนี้ได้ ก็พยายามถ อ, อยากจะสงบด้วยปัญญาต้องเจอทุกเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าเกิดจากอะไรทุกตัญญาความยาก อ, อย่างในสิ่งที่เป็นตายรัอยากให้มันเป็นไม่เป็นตายรับมันก็เลยทุกค่ะคือถ้ า, ถ, าถ้าเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บมันมันน่าจะเห็นได้มากมากกว่า น, นี้ค่ะ ทุกอย่างทุกอย่างมันก็เราต้องเป็นเจนาว่ามันตายรากทั้งหมดเป็นค่าหลวงพ่อโอเคมีอะไรไหมไม่มีข่าหลวงพ่อหนูจะพยายามปล่อยไปเรื่อยๆค่าหลวงพ่อพยายามละพยายามวางให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่แต่ก็มีความสุขขึ้นค่าหลวงพ่อมันเหมือนมันเบาลงค่ะมันมันคลายมันจางลงไป แล้วก็มีคนมาถามว่าทําไมดูแบบดูเปลี่ยนไปอ่ะคะ่ะหลวงพ่อเหมือนเหมือนคนไม่มีทุกข์อะไรอย่างนี้ค่ะไม่คนละคนไม่ทุกข์ไม่นอนกับอะไรใช่คะ่ะหลวงพ่อแต่คำหลวงพ่อมันยังอยู่ในใจเสมอะคะ่ะหลวงพ่อให้ให้ทําตัวเหมือนแผ่นดินนะคะหลวงพ่อเพราะว่ามันอยู่กับคนนะคะหลวงพ่อมันมันมีอยู่ตล<ำ>อนี้ก็จะมายัางไงก็ไปก็ว่าไปแล้วห้ามก็ไม่ได้ ใช่ค่ะหลวงพ่ออย่าทุกข์กับอะไรนะค่ะหลวงพก่าวขอบพระคุณอย่างสูงค่ับลงพออย่าทุกเจ้ทุกคะ่ะคุณอรรณงค์เชิญนะคุณอรณงค์ล <c oughs> ับ น, น้มาัสดาห์แล้วเจอกันหลายสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเกิดพอดีไรเด้คอค่ะพระจังขอให้เจอกับวันไม่เกินนะ องาทูกับอาจารย์จะมาลับคำนี้หรอขอให้บรนชาติสุดท้ายองศาทูกับอาจารย์งยินดีอย่างยิ่งพทุกเพื่อนพยายามอย่างยิ่งค่ะทำเวทมนตรสั้นๆแต่ประเสริฐที่สุดนะอาจารย์นี้เดีง่ายดีการไม่เกิดเป็นก็จะไม่มีทุกข์ทุกเยี่ยมกับทุกเย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นะแล้วการไม่ทางอื่นก็จะหลบทุกทุกตอนยังต้องเกิดอยู่ดี ไม่ต้องเจอทุกอยู่นี่เกิดปุ๊บก็มาเลยออกมากรองแวแล้วใช่ไหมมาก็ทุกแล้วค่ะง่ายค่ะอันนี้ก็เข้ามาฟังธรรมรับพรค่ะพระสารนี่ได้ค่ะตอนนี้ได้ทำบุญครบเดือนวันหมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะเนนหนึ่งเดือเต็มกับสมุดของอยู่ เหีวภาวนาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตัดเวลาไปขึ้นเขาค่ะพระอาจารย์ปลีกวิ้งมันก็มีความสุขแล้วทำบุญมันก็มีความสุขก็มีความสุขอีกแบบว่าจะจริงความสุขก็อาจจะเห็นคนใกล้ตัวเขามีความีความสุขด้วยใช่ค่ะคือคือเวลาเข้ามาแบบโอ้เนี่ยแบบน่าดีใจมากไม่เคยได้ทำคือคือความสุขเราจากตรงนั้นเหมือนกันนะแล้วอันก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขกับเขาเองใช่ค่ะรู้สึกว่าเออเนี่ย แต่ทําให้เขาให้เขามีโอกาส<ม>แล้วแล้วเขาก็จะติดในใจว่าแบบเออมันมีความสุขจังเลยอะ่ะบรรยากาศการได้ให้คนอะไรอย่างเงี้ย<ม>อะอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขงานให้นะการให้นี่มันเป็น<ม>เรได้ทําบุญเนี่ยยิ่งไปเปิดลงทานให้เรา<ม>อยากของให้แล้วรู้สึกว่าเขาเอ็นจใจสุมใจนแบบบางคนเ<ม>ขา<อ>มาอยากได้กี่ชิ้นก็ให้เขานะคือยงก็รู้สึกว่าเขาโอ้โหอยากจะขอก็สองชิ้นก็สามชิ้นก็ออกไปเถอะ อ่าก็ก็ก็ใช่มีความสุขคืขึ้นรู้สึกถึงความต่างระหว่างไปให้เองกับฝากเงินคุณไปทำํำมันก็จะต่างกันนิดนึงตรงนี้เอ่ใช่เพราะนั้นทําเองคุณได้ได้ได้สัมผัสจริงจริงอ่าไม่ใช่ ก, ก็ก็เลยอันนิดนึงก็ก็ได้ความปลื้มปิติถ้าไม่ได้ไปทำเองงานจะไม่ได้ปลื้มปิติใช่ครับเป่าร้อนหยิบให้อะไรเงี้ยต้องต้องการให้ท <laughs> ัง้งสนุกตรงนั้นอ่ะ ทุกคนก็เออก็เลยเห็นตรงนั้นเหน็นรอยยิ้มทั้งคนรับทั้งคู่มาร่วมกิจกรรมในโรงทานอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกอแล้วก็อิม่มเอิ่มไปตรงนั้นด้วยเหมือนกันอ่าก็ดีนี่กรน า, นรารปฏิบัติการภาวนาใช่จำเป็นจริงๆอันนี้สำคัญมากเพราะเวลาพอมีโอกาสเรามาอยู่ในความสงบตรงนี้ก็จริจๆเห็นถึงความเห็นถึงความสุขที่ต่างกันมากเพราะว่าพอเราทําทานจนมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทําได้โดยไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกแบบเออยากยากความสุขจากการภาวนามันจะชัดกว่ามากพระาอาจารย์มันมันมันอิ่มกว่าต้งงองงี้ต้องงี้ใช่ค่ะก็ภาวนาค่ะพระอาจารย์อันนี้ยังมุ่งมั่นทําเรียนไปเรื่อยค่ะพระาอาจารย์เออแล้วแต่โอกาสเนยตอนนี้โอกาสมันเอื้อต่อการทำทานก็ทําไปก่อนใช่ค่ะแล้ แต่ว่าพอมีโอกาสก็จะหลบขึ้นไปสุดบอกว่าเนี่ยพอหลังเลิกงานจะก็พยายามจัดเวลาช่วงค่ำสวดมนต์ปุ๊บก็นั่งภาวนาให้ได้สัก6ชั่วโมงอะค่ะพระาอาจารย์อาดีก็ทาพยายามทำแบบนั้นอยู่ค่ะอย่าอย่าทิ้งภาวนานะงานสำคัญที่สุดค่ะพระอาจารย์รักษาทาตขันนะคะนั่นดูอ่าคุณสุภัตตา กราบมากสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูก ม, มาขอร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคงั <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้นไปด้วยกันโอ๋ต่อวัน อ, อ๋พี่แกร้องการมหกรรพระอาจาราายา์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาร่วมรับฟังเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะอโอเคดนสังเกตดูนี้เป็นสมาชิกเก่าทุกคนเลยนะฮะ <laughs> มันตั้เรียนไม่ขานเรียนเลยข <laughs> อเตือนไว้แล้ ถามันครบทุกคนเลยเกือบไปแล้วเจ้าค่ะอาจารย์โดนกิเลสหนึงเหมือนกันเจ้าค่ะว่าจะไม่ให้มาเข้าห้องเรียนเ่ยเจ้าค่ะแต่ก็เข้าวัดจะได้เจ้าค่ะแต่ความว่าคืออย่างซี้เจ้าค่ะไปได้เันนี้สันนี่แบงก์ก่อนเก่งในมาตรการพระอาจารย์ค่ะมาริ่มฟังธรรมไม่มีคำถามเหมือนกันค่ะโอเคเยันไปได้คุณแปมต่อคุณแปมพัทยา ยังไม่ได้เปิดใหม่เลยอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วพูดได้เลยเจ้าค่ะน้อมกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคเป็นไปที่คุณมาริกาต่อมาิการนราี่ว่ากลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ไคมมาามะาานนมมมไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันไหนเชียงราย การับการพระอาจารย์ trend, mm hmm. ครับผมอืครับว <Okay. S 1> <Ouais. S 2> ันนี้เข้าร่วมปังธรรมครับพระอาจารย์ตามยังปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ตามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับต้องอย่างก้าวหลังนะต้องก้าวหน้านะครับผมบางทีก็ไม่ไปข้างหน้าก็ก็อยู่ที่เดิมแต่ก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์เรื่อถึงคำตัรซ้อนนะพระอาจารย์ด้วยนใช่ครับผมก็เหมือนพรบอาจารย์บอกว่าให้ไปบัตเหมือนกับทานข้าวเหมือนเราต้องทานข้าวอย่างเงี้ยครับจังหวะปฏิบ บางตอนเช้าบางวันอร่อยบางวันอาจจะไม่อร่อยก็ทํำไปครับผมให้ครับบางวันตอนเช้ามันสงบแล้วก็ตื่นมามันมันพูดโทตลอดเลยเหมือนกันครับมันอยากจะไปอีก่ครับมันอยากสงบอีกอย่างเนี้ยครับอาจารย์ครับก็เจริญสติทั้งวันนะครับอาจารย์ครับครับมครับผมขอให้อาจารย์ท่าฐานแข็งแรงครับครับผมอาจารย์ยินดีครับผมสาธุครับคุณยินดีครับคุณยินดี Texas มีคำถามค่ะท่านอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากท่านอาจารย์เมื่อเช้าก่อนที่เขาจะไปทํางานค่ะเขา บ, บอกอาจารย์ฝากขอบคุณด้วยนะวันจ้องเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณอจาย์อย่างสูงค่ะสาธุคุณอภิสิทธิ์สังกฤกรกลาวธรรมสการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามรพรบอาจารย์เขามาร่วมเัาฟังครับ อย่างนั้นไปที่คชนชันนดาใช่ไหมแปดสี่ศูนเนี่ ย, ยใช่เปล่ากลั บ, บนามั ส, แบบส ก, การเจ้าค่าพาาระอาจารย์ใช่ค่ะจันนดาค่ะอา่าว้างไงตอนนี้อยู่ศีราชาเลยใช่ค่ะศีราชาค่ะเมืม่อช้าไปใส่บาตรค่ะทำทาอาหารเองค่ะพาาระอาจารย์อ่าดีเดี๋ยนี้ เ, เดี๋ยนี้พยายามทำเองละค่ะอา่าได้บนกชั้นหนึ่งได้ความเปลี่ยน <laughs> ตื่นตีสี่เลยค่ะอืมแล้วก็เลยง่วงเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็นอนค่ะก็เออเออลูกน่าจะมาเ อ, อพิจารณาในเรื่องของปัญญาค่ะพระอาจารย์ที่ที่ผ่านมาช่วงระยะเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็มันก็อยู่ยังยังวนอยู่ในอ่างค่ะพระอาจารย์ค่ะ คือปัญญานี่ยตอนนี้เราทําการบ้านไว้ก่อนเนี่ยทำเตรียมตัวไว้ก่อนปัญญาจะใช้ได้ต่อเมื่อมันมีปัญหามัน ม, มีทุกข์เกิดขึ้นเ<ฆ>ช่นเราสูญเสียสิ่งที่เราลักไปเนี่ย้วเราก็ทําใจไม่ได้ใจเราก็ทุกข์เสียใจตอนนั้นเนี่ยเราเอาปัญญามาดับความทุกข์ความเสียใจให้ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้เราก็เพียงแต่แต่สมมุติไปก่อนว่าสมมุติว่าเราเสียก่อนนั้นสมมุติว่าเราเสียสิ่งนี้เราจะทํายังไง ทำใจได้หรือเปล่าตาเห็นตายแล้วหรืเปล่าเห็นเขาเขาไม่เที่ยงหรืเปล่าหรืว่าเขาเป็นลักษณะตาหรือเปล่าตรนตอนนี้ทํา ก, กันบ้าไปก่อนแต่ยังไม่ได้เป็นของจริงของจริงต้องไปเวลาเกิดความทุกข์ถอ ม, มานใจขึ้นมาค่ะหรือไปอหาหรือไปอหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแนละ้วค่ะัง น, นั้นดังนั้นจะรู้สึกยังไงค่ะ ถ้าเกิดทุกดับความทุกได้ป่ะยามตายได้ป่ะยาม<ะ>ยาบได้ป่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย<ะ>นี่คือทางปัญญามัน<ะ>มีสองขั้นตอน<ะ>ขั้นแรกก็คือทําเตรมตัวไปก่อนทํากันบ้านไปก่อนเหือ<ะ> น, นั่งือ น, นั่งมวยชกซ้ำชกก็สอบทรายไว้ก่อนซ้ำชกกับเทนเนอร์ไปก่อน<ะ>แล้วพอถึงเวลาต้องขึ้นเวทีเจอของจริงแต่พ<ะ>ุด อนะก็ต้องใช้ปัญญาท่า<ฆ>นเอชนะผู้ต่อสู้ได้ดับความทุกข์ใจได้อันนั้นก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงคนเข้าใจ<ฆ>ย่อพิจารณาปัญญาจะเกิดปัญญามไม่ยังไม่เกิดยังไม่รู้เป็นปัญญาที่ใช้ดับความทุกข์ได้ไหรือเปล่าอาจารย์มันต้องเจอของจริงค่ะค่ะ แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ทำการบ้านเต็มเต็มไว้กันก็สอบตกเองพอเจอของจริงก็ทําไม่ได้ทําใจไม่ได้นต้องสอบี่สอบหนักหน่วงเจอของจริงทีหนึ่งก็หนักหน่วงสลึดเกินอาจารย์แสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําการบ้านค่ะเหมือนครั้งที่แล้วนู้นะคะพรอาจารย์ครั้งที่แล้วนู้นะคะออแต่พอมาถึงวันนี้จริงๆลูกก็ดีดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ก็พยายามดูกิเลสตัวนั้นมันเหมือนจริงๆมันเหมือนอันเดียวกันเหมือนเหมือนเราเล่นเล่นเกมเล่นเกมทุกหัวตัวตุ่นนะคะพระอาจารย์ที่แบบตัวตุ่มันโผล่มาจากหลุมแล้วเราค้อนทุบใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราเราไล่ไล่สกัดกิเลสอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันก็จะไปโผล่รูนู้นโผล่รูนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะบัจฉลาบัจฉลามันรุนจัดบางทีก็ทันมากไม่ทันมาก เดี๋ยวมันก็มาในรูปแบบใหม่แล้วก็แบบเนี้ยค่ะก็ก็เห็นอะไรตรงเนี้ยวิธีเดิมก็ใช้ใช้กับมันไม่ได้นะมันมันมันแปลงมันเหมือนเชื้อโรคอ่ะมันใช้ยาปฏิชีวนะเดี๋ยวมันก็เดือมันมันชินกัยานี่แล้วมันก็ยานี้ก็ใช้ไม่ได้นะมันไม่จากวิธีสู้กับยาค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ค่ะ ซ้ม เ, เรื่อยๆทากันบ้านไปเรื่อยๆค่ะค่ะซ้อมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะนกว่าจะได้จะได้แบบไปร้อยเอร์เซ็นเอ่อพระอาจารย์ครับวันนั้นลูกก็ได้ยินแบบเอ่อพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าท่านบวชเป็นพระตอนอายุสี่สิบแปดอะค่ะพระอาจารย์เพราะคือลูกกำลังคิดในใจอยู่ว่าแบบ เราจะได้เราจะได้บวชตอนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาฟีเจอในเฟซบุ๊กอะค่ะก็ะอ่าได้ยินท่านอาจารย์ปามุ่ดปามุ่ดโชว์ค่ะท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านเริ่มบวชตอนอายุสี่สิบแปดอะไรเงี้ยค่ะก็เท่ากับลูกตอนนี้เลยลูกก็บอกโอ้แล้วเราจะได้บวชเมื่อไหร่สี่สิแปดเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่หน้าพร้อมหรือไม่พร้อม ค่าพาจาร์ถ้าทํายังไม่พร้อมมันก็บวชไม่ได้อยู่นี่ค่าพาจาร์อย่าพยายามฝึกสติฝึกปัญญาให้มากๆต่อไปพอทำมันจะพร้อมมันก็รูเองมาบวชได้ไม่ได้คาพาจาร์อย่าไปเสียเวลากับการไปคิดถึงตัวเลขเลยเอาเวลามาฝึกปฏิบัติธรรมดีกว่าค่าพาจารย์ถ้าปฏิบัติได้เดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปไปของมันเองได้ธรรมะธรรมะจัดจา้านตราเรีย ไม่มีธรรมะก็ธรรมะจะจัดสรรให้เราไปในทิศทางที่ที่ที่ถูกที่ดีที่ควรเองค่ะอาจารย์อยู่กับตัวเลขจริงๆค่ะอาจารย์เนี๋ยพอผ่านไปเ้วเสียใจว่าเราผ่านเรเนี่ยมันจะห้าสิบหกสิบแล้วเราไม่เปไม่ปฏิบัตินัพยายามปฏิบัติอย่างนี้ไปค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์คะไป อ, อลูกไปเวียดนามมาสามวันสามสามคืนตอนเ อ, อตีสี่กว่าจะต้องตื่นมานั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์นั่งชั่วโมงหนึ่งทุกวันเลยอะค่ะนั่งกับกลุ่มที่ไปด้วยนะค่ะพระอาจารย์นั่นกับใครนั่งเองหรือว่านั่งกับนั่งเองค่ะนั่งเองอคือคือที่คือมันมีการคือกระจกห้องพักค่ะพระอาจารย์มันมีการแบบ เหมือนฝนมันตกแล้วมันสาดตั้งปึ้งปึ้งปึ้ึ้งปงตอนตีสีทุกวันเลยค่ะแต่นอนคนละที่นะคะเป็นเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วลูกก็ต้องตื่นมานั่งสมาธิทุกวันเลยเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่คนที่นอนด้วยเตียงข้างๆไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทําเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเต็ดเป็นนิสัยแล้วโอเคท่าทุกวันนั่งยัก อยกขาด น, นะได้คะ่ะพระอาจารย์รับรองพระอาจารย์รรค่ะคุณตายใช่คุณตา ย, ตายมเตียเป็นยังไงคุณตาน้ํากับนมัส ก, การคะ่ะพระอาจารย์หาเสตีะหาสตียงกะยมยมก็หาซับภพยนอกก่อนเออตอนนี้นะพระอาจารย์แต่ว่ายมหาซับภายนอกเสร็จ ก็เพื่อที่มันจะต่อยอดไปที่ซัภายในใช่ค่ะอาจารย์มาทำบุญใช่ค่ะแต่มันได้ทรับซับภายในที่ยังระดับต่ำอยู่ยังไม่ถ้าถ้าหาสติมันจะซับภายในที่สูงขึ้นค่ะแต่ก็แต่ก็ยังคนนี้ขอเอาซับซั์เทวทรับก่อนก็แล้วกันนะเทรัพย์นี่เคาเอาไว้ก่อน ก็โยมก็ยังจะมาถามพระอาจารย์ว่าโยมก็มีซับภายนอกอยู่แล้วโยมก็สร้างซับภายนอกขึ้นมาอย่างอย่างโยมทำแบบหอพักงเงี้ยพระอาจารย์โยมก็สร้างมันขึ้นมาแล้วก็โยมก็ไม่ได้โยมก็ให้คนไปอยู่ใช่ไหมคะมีคนมาเช่าเสร็จแล้วก็โยมก็ให้ยกให้พี่สาวเขาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองโยมบอกว่าก็ดีกว่าโยมอะเอางานของโยม ต้หาทุกวันแล้วเอาไปจุนเจือพวกเขาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ไปเลี้ยงพี่น้อง<ม>ที่เขาแก่กับโยมเป็นพี่สาวเงี้ยพระอาจารย์เด๊ะแล้วบุญไปก็เป็นทรัพย์ภายหนอาเป็นทรัพย์ภายในไปเป็นเทบาทรัพย์ไปมันอย่างนี้ก็ได้นะพระอาจารย์เนาะแต่มันก็ย่อก<ง>็สู้พรหมทัพยไม่ได้พรหมทัพย์นึ่งนั่งไปไปไปีเว่เว่ยอยู่คนเดีย ว, ยวภาวนาพุโทโธตอนตอนนี้ที่โยมกลับไปเชียงใหม่เ่อวัเนี้ย เพื่อนยมหายหมดเลยพ่อาจาย์แต่ที่เคยตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะต้องเข้ามาบ้านทุกแบบมานั่งเฝ้ากันชนิดที่ว่าโยมเนีทยไม่ได้ไปไหนเลยแต่ตอนเนี้ยกลางวันเขาเริ่มหายไปแต่โยมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโยมเริ่มเหงาอ่ะพ่อจันเพื่อนโยมหายโยมก็เหงาโยมก็รู้สึกแปลกมากเลยวันนี้เจนไม่ใช่บอกไงต้องพ<ะ>่อจันเจนให้ว่าจะใช่ไหมพ่อจันโยมก็เลยว่าเฮ้ยเรา เราเหมือนเหมือนคนแปลกประหลาดเสร็จแล้วแต่ว่าจิตใจยอมกับกับเหงาขึ้นมายอมก็คิดว่าเออเริ่มเริ่มเริ่ ม, มช่าไม่ดีแล้วหรือว่าจะยังไงดีพ่อชันยองไม่มีสติใช่ไหมคะใช่ตั้นหาความอยากไว้ก่อนอยากจะมีเพื่อนพอไม่มี<ช>เพื่อนมันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาอยอมรู้เลยว่าโอ้ตายละอยู่ไม่ได้นะ้ต้องไปไปฝึกสเตปไปนั่งสมาธิแทน ถาม่าอาจาย์ขนาดเพื่อนยังจะหายไปที่จริงโยมน่าจะดีใจที่เพื่อนหายไปแต่นี่โยมกับเศร้าใจมากเลยเพื่อนไม่มาหาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โยมกวงงตัวเองเลยตอนแรกก็มามาจนโยมแบบลำคาญแต่พอพอเขาหายไปจริงโยมกับรู้สึกเศร้าใจเขาหายไปแล้วโยมต้องรีบรีต้องรี บ, ร บ, รบปฏิบัติธรรมนะจริงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ แต่โยมเนไม่ได้นั่งสมาธิเลยกลับห่างห่างห่างไปเยอะเหมือนกันครับะอาจารย์แต่ก็จะพยายามจะเข้าโคจรละออกมาสาปน้าโยมล่ำกลมแล้วพระอาจารย์อเสร็จเลยต้อความปังไม่มั่งกิเลยตัณหาความอยากปล่อยตามใจมันเดี๋ยวปูไม่กลับเดี๋ยวเป็นเดี๋จะบากปู่ไม่กลับนะใช่ค่ะพระอาจารย์แต่โยมยมคิดว่าเดี๋ยวเอาไหม มันมันบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ตลอดเลยจนโยมแบบว่าโอ้ยเริ่มท้อกับตัวเองแล้วทําไมต้องเอาใหม่ตลอดนิสัยไม่ดีเริ่มต้นทุกวันพระทุกวันพระไปหะที่เสืทุกวันพระก็ถือสินแปดกินเมื่อเดียวมันพระ ย, ยมทําได้นะพระอาจารย์ <ừ. S 2> มันพระทุกพระโยมไม่เคยขาดเลยถือสินแปดตลอดแล้วก็กินเมื่อเดียวแต่ว่า mm. พอหลุดจากมันพระขึ้นมนะาเช้าขึนก็หิวแต่ว่าโยมก็ไปกินตอนสิบเอ็ดโมงแต่ก็ มันก็จะอย่างเงี้ยพ่อจันมันก็ยังทําได้อยู่วันพระนุยงก็ยังไม่เบ่งยังยังยังไม่หลุดต้องเพิ่มเพิ่มเป็นสองวันสามวันเอาวันเลยแล้วอพ่อาเอเออาวันเดียวมันไม่พอว่าต้องเพิ่มเป็นสองวันมักินยาอีกกินยาเม็ดเดียวไม่ได้ผลก็เอาสองเม็ดสองเม็ดไม่ได้ผลก็สามเม็ดขอขอสองวันกันนะคะอสองวันกันโอเคลองดู ถาะอ า, าจารย์คุณตุ๊กตาโอเคคุณตุ๊กตาเดินตุ๊กตาใช่ไหมได้เลยโอเคกลับมาสกการะค่ะอาจารยได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะเจ้าค่ะในวันจะกลับบ้านไม่ใช่เหรออ๋อกลับกลับกลับแล้วเจ้าค่ะกลับตั้งแต่อาทิตย์ที่ไม่ได้เข้าสู่เจ้าค่ ะ, ะใช่นะคะก็ แมวันนี้ไม่มีคำถามพอดีได้ฟังก็ได้คลายทุกหน่อยแถะเจ้าคะ่ะเพราะว่าก่อนมีมีช่วงสองสมวันที่ผ่านมาลูกทุกเพราะว่าลูกไปคัดเคียดกับการอุ ป, ปทานของตนแล้วเราก็เครียดว่าทาไมตนยังยังไปยึดถือยังไปอุปทานอะไรประมาณแล้วช่วงนี้ลูก อาทำสมาธิน้อยเข้าชาญน้อยก็เลยปรับปัญญามันก็ไม่ทันกิเลสก็จะมีความคับเคียดบ้างจดมามามีสมาธิก็จะพอจะรู้ทางว่าเราจะวางยังไงเราจะปสลัดความคิดออกอยังไงก็จะล่งแล้วก็เบาสบายขึ้นเจ้าค่ะมันต้องใช้สติใช้สมาธิสลัดความคิดที่ดีที่สุดคือหยุดคิดซะ S <S <an> ใช่ใช่เจ้าค่ะแต่ท่วมจังหวะตอนนั้นมามันมาพอดีก็เลยเมันก็เลยขัดเครียดไปเลยว่าเราเราไปขัดเคียดกับการอุปทานว่าเราจะรักการอุปทานตรงนี้ได้ยังไงเบอกมาหนี้เจ้าค่ะโอเคดีมากไม่ได้ไม่ไม่มีเจ้าค่ะวันนี้มารับฟังแล้วก็การาบนมัส ก, การค่ะอาจารย์เจ้าค่ะโ okay. อเคไปที่คุณกอฟเถอะอ๋อยัไงไงเรื่องอาหารปวดได้ไม่ลดได้ไหม กำลังพยายามครับมันน่ากินแล้วกันนะพออุจจาระนี่มันน่ากินด้วยกันนะมองไม่เห็นในอุจจาระทักทีนะเวลามองอาหารในจานนึกถึงเวลาเปลี่ยนมันออกมาจากถาวรหนักด้วยอาหารเนี่ยก่อนจะกินให้พิจารณาแบบเนี่ยอาหารที่เรากินต่อไปมันก็ต้องออกมาจากทวาวรหนัก นึกถึงภาคมันออกมันอยากทารหนักเป็นยังไงมันก็จะได้ไม่อยากกินครับกยพรุ่งนี้่จะนั่งกินมื้อเดียวอีกอีกครั้งครับแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่ามาทำได้มันทำไมนานเนี่ยอีตีตีตีหนึ่งแล้วครับอาจารแต่แต่เรื่ออื่นก็ทําได้ครับอืก็เดีย๋ยวเอาไปทําครับ ยอันเรื่องทําได้ไม่ต้องกังวลอเรื่องที่ทําไม่ได้นะทํากั น, ก น, กนอยู่ครับพราานะอาจารย์พยายามว่าทําไม่ได้ทุกข้อเลยข้อสองครับ เ, เดี๋ยวมีเรื่องรายงานนิดนึงครับพอดีมีพระที่เคยส่งไปเคยพาท่านไปทําสหายเมื่อห้าปีก่อนนะครับแล้วก็ท่านท่านออกมาอยู่โซล่าแล้วครับแล้วก็มีหน้าท่านหลวงจะกลับขึ้นถ้ำใหม่เพราะว่า หลวงปู่เรียนบอกว่าเทศว่าป่าอนะไรเงี้ยเหมือนให้เรียกให้ท่านกลับไปในเมืองตอนนี้ก็คือจะได้เพื่อนที่คอยเป็นกําลังใจใการปฏิบัติให้อยู่ครับท่านท่านบวชมาห้าพันปาแล้ครับก็ดีได้ใจนะมิ่งก็ดี ก, ก็คอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้าท่านท่านมาอยู่ในเมืองแล้วก็ท่านคงมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าในเมืองเป็นยังไงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว หลวงปู่จันเรียงก็บอกว่าให้ท่านเข้าปีอยู่ในป่าท่านจะไปปีหน้าครับอืมก็เผื่อจะมีส่วนช่วยเรื่องอธรรมะเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยมีกัลยาณมิตรครับพระพุทธเจ้าก็ตัดสรุนในป่าพระสาวกช่างหลายก็ตัดสรุนในป่าไม่มีใครตัดสรุนในบ้านอย่างนั้นนะก็สิ่งสิ่งน่ายินดมากมากเลยเกินครับเคี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวอาทิหน้ามารายงานครับ โอเคสาธุดาขอบคุนตันเจนเซนตันเอเวอรแนด์กามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมก็เข้ามากาบท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีเลยนะไม่นีนะเอามานานแล้ววม่แล้วเนอรเอเรเราไปทให้ได้ใช่ฟังเราก็เก็บอยู่ในใจสะสมค่ะรอวันหนึ่งที่จะยังไม่ใช้สักทียังไม่ได้ใช้สักที แต่มันก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรใครเท่าไหรอ่อะค่ะพระอาจารย์จนบังคับคิดว่าตัวเองเหมือนมันมีความรู้สึกว่าให้เราเราไรเงี้ตัวเราเปล่ามันแอบมีคําถามค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นมเมื่อที่ลูกโยมเขาเขาทําเกี่ยวกับอะละครเวทีอะคะ่ะแล้วก็ชวนชวนโยมไปนั่งดูละครเวทีที่ลูกเป็นมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยคะ่ะหนูดูเสร็จแล้วหนูก็จบแล้วก็จบแล้วก็กลับอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่า เสร็จ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับเออไปทําอย่างอื่นต่อต่อต่อแต่เหมือนกับเขาเขายังมีความสุขอยู่กับอยู่กับอยู่กับสิ่งที่เขาทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมไม่ยอมครานี้สุดท้ายสุดท้ายกลับมาถึงบ้านเนี้ยยงก็นั่งคุยกับเขาว่าเหมือนกับว่าอารมณ์ของของเขาว่าเหมือนมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีอารมณ์เ อ, อยึดมั่นในพวกเกี่ยวกับความซึมเศร้าเพราะว่าจิตใจเขาเนี้ยเขาไป หยดติดอยู่กับอะไรบางอย่างนานเกินไปฉันมีความสุขก็มีความสุขมากมีความทุกข์ก็มีความทุกข์มากอะไรอย่างนี้ยค่ะคุยไปคุยมาหนูก็เลยเข้าใจว่าหนูกับลูกนี่คุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะอาจารย์มันมคิดกันคนละยัน<ม> <laughs> หนูบอหนูว่าเขาบอกว่ามันจบแล้วก็คือจบแล้วก็ม o v ออนไปอย่างอื่นต่อไปได้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดว่าอู้มีความสุขแล้วฉันก็จะต้องจมอยู่กับความสุขอย่างนี้ตลอดไปแต่คนละคนละแนวคิดอะคะ่ะน แล้วมันอะไเขาชอบเขก็อยากจะอยู่กับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าพอเสร็จเอการแสดงละครเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มกลุ่มรักแสดงกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเป็นเหมือนเหมือนลูกหมดเลยแต่มีหนูคนเดียวที่เหมือนกับว่าหยุดจบพอเราไปได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราดูไม่ให้ความร่วมมือค่ะมันเหมือนเราไม่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเอ็หนูก็ช่วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย ค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็ถามขึ้นมาบอกว่าทําไมเหมือนกับว่าเราไม่มีอารมณ์อย่างเช่นถ้าเราถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเดินออกไปจะถูกรถชนอย่างเงี้ยแม่จะไม่กลัวหรอยอะไรเงี้ยเขาถามอย่างนี้ออกมาหนูก็บอกว่าก <c oughs> <"G> ็ถ้ารู้ว่าออกไปแล้วจะต้องเสียชีวิตแล้วจะกลัวทําไมตายก็ต้องตายอยู่แหละคือคือเหมือนกับว่าเราพิจารณาธรรมะมาตลอดมันก็มีความคิดอย่าง ใ, ใจว่าว่าว่าวันหนึ่งก็จะต้องตายจะตายอีท่าไหนก็จะต้องตายแต่ผมไม่เคยพิจารณาพร้อม พอเขาาความตายซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอยู่แล้วอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าความคิดอย่างนี้ตั้งหากที่มันสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาว่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปเจอความตายเราก็จะต้องเจอความกลัวก่อนเป็นไปมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะผ่านความกลัวเราไปถึงความตายเลยคุยไปคุยมามันคือมันคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องอะค่ะพระอาจารย์คนละแนวกันนะคนละแนวเลยค่ะสรุปคือเลิกเคุยค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ค่ะเลิกคุยเรื่องนี้ค่ะ หนูก็เลยอย่างที่บอกพระอาจารย์นะคะว่าหนูไม่แน่ใจว่าระหว่างคำว่าอุเบกขากับความคําว่าเหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะมันมันก้ามกึ่งกันนะคะแล้วบางทีเราต้องพยายามโชว์ให้เราเห็นให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ขาดความหลักอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์อันนั้นก็เป็นการแสดงละครไปพ่ะอาจารย์หนูก็ต้องเอาใจค่ะวันลูกขึ้นก็ต้อง เรายังอยู่ในสังคมอยู่สังคมเขาคิดแบบนี้แล้วเร้คิดเรก็ต้องเราก็ต้องคิดตามเขาไปแต่เราอย่าเราอย่าไปหลงตามเขาก็แล้วกันเรารู้ว่ามันเป็นแค่การแสดงพระอาจารย์หนูก็หนูก็พิจารณาอย่างนั้นตลอดเวลาค่ะเพียงแต่ก็อยากให้เขาเข้ามาทางนี้บ้างค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอยากไปอาจจะไม่ได้อย่างใจอยาก แล้วเอาเอาตัวเองก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ให้เขาสนใจก่อนหน่ให้เขาถามหนื่อว่าจะทำยังไงดีจะปฏิบัติทำยังไ ง, ไงอ่ะค่อยๆบอกเขาถ้าไม่เข า, เขาไม่สนแล้วก็ไม่ต้องอย่าไปเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะ okay, รกักษนะาอาจารย์มากๆนะคะรัก า, าดูอักษาคนชิฟต่อเลยเพื่อนบ้านกันไม่ได้เล่นเหมืกันอยู่เมืองเดียวแล้ัดแล้วะเมืออ๋อเขาอ้ค่ะ ก็ s <S <ๆ>ห่างกันใช่ค่ะยมอยู่เก t o r s b u r g ก็รประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้ค่ ะ, ะก็ติดกันเลยก็ติดกันก็ก็มันก็ต่อต่อกันนะคะมันก็มันก็ไปได้ <c oughs> แล้วสัปดี้ที่ผ่านมายมก็ไปขับรถส่งอาหารใช่ไหมคะแล้วยมก็จะไปแบบว่าคือหุยเขาสลินทอนนะคะเขาก็จะไปซื้อของให้ลูกเขาคือเหมือนเราก็อยู่แบบในพาซาช้อปปิ้งมอลอันเดียวกันนะคะ แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเจอกันไม่เจอเหมคุยกัคุยทางโทรศัพท์นั้นใช่ก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยแต่เอาหุยเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ยมว่าเอ้ยยมยุอยุยมก็อยู่ห่างกันไปสองล้านแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลงสักรถมาเจอกันก็แบบเออก็เลยแบบว่าโอเคงั้นคุยในโทรศัพท์ละกันนะแล้วก็ส่วนก็ไปส่วนกันมาอยู่บนถนนนะคะอาจารย์ใช่ท่านก็ท่านาจสบายดีนะคะใช่สวายดีจ้ะ ค่ะโยมก็ไม่มีอะไรค่ะวันนั้นโยมมีเรื่องแบบว่าดีๆคือไม่รู้ไปขับรถอีท่าไหนแล้วเผอิญเจอคนที่เขาเมากวนโยมอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าถนนมันแคบใช่มไ้มคะแล้วเราก็ขับรถแบบอยู่ตรงกลางเพราะเราจอดรถไปส่งของดัดหนึ่งเราก็จอดตรงกลางแล้วรถคันหนึ่งเขาก็สวนมาแบบอย่างเงี้ยค่ะรถโยมอยู่ตรงนี้รถเขาก็มาอย่ารงนี้แล้วโยมก็แบบอา้าวให้ให้ให้ให้เราไปยังไงละในเมื่อด้านขวามือของเขามีที่หลบได้เขาไม่หลบ แล้วเขาก็ต้องกับโยมอยู่อย่างเงี้ยโยมก็เลยแบบออเหมือนมันขึ้นนะคะมันดูจากร่างกายเหมือนเรมพิจารณาหัวใจเต้นตุ๊ดตุ๊เหมือนจะไปหาเขาก็จะหาเรื่องเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่หลบมีอะไรไหมโ ย, ยมก็แบบอ้าวก็เลยกวนประสาทเขาไปแบบอ่าเธอไม่หลบฉันก็ไม่หลบโยมก็เลยตระหนักรู้สึกแบบว่าเหมือนกับเหมือนคํบปากมันก็หลุดแบบว่าเหมือนกับพูดกับตัวเองอะคะ่ะแบบโอ๊ยขอให้เขาแบบว่ามีแต่อุปสรรคขับรถไปก็มีแต่อุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยโยมก็แบบอุ้ย พอตอนหลังกลับมาบ้านรู้สึกแบบอุ้ยทําไมเราไปใช้คํำสาบแช่งแบบนี้เนาะทาไมเราใช้อยู่ดีๆความโมโหมันรุนแรงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเนาะขนาดเราปฏิบัติมาถึงจุดๆหนึ่งเวลามีอิเลกเข้ามากระทบอย่างรุนแรงมันก็เอามันก็ไปเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ เ, เลยรู้สึกวแบบ่าเราต้องปฏิบัติให้มากขึ้นสติมันหลุดไปเลยอ่ะค่ะก็เลยแบบพอดีคุยกับคุณหลา อย่าไปหม<ฆ>ายกับพวกกีเล็กอะไรกันอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าเขาเราต้อง<ช>ไป่าเรใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยมันก็เสียใจที่เราพูดไปแล้วอีกอใจหนึ่งก็แบบเออมันก็เป็นคุณหลากก็บอกมันก็เป็นเครื่องเตือนสตินวะว่าเราควรปฏิบัติมากขึ้นเรามไม่ได้แบบว่าพระอริยาเราไม่ได้โสดาบันเราไม่ได้แบบเป็นขั้นอนาคาที่ยังไม่มีความโกรธอะไรแบบนี้ขยงก็เออ แสดงว่าเรามั่นใจในตัวเองว่าเรามีระดับหนึ่งแล้วพอถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้มั่นใจอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยอค่ะค่ะก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์พัดคันแข็งแรงนะตัทุกค่ะค่ะสาธุค่ะท่านต่อไปคุณแก้วใจคุณแก้วคุณแก้วอยู่ที่ไหนเข้ามาข้างล่างเลยได้เลยสารธรัมสกันค่ะเออ โยมพอดีช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดเลยแล้วก็พอเอิญมีเพื่อนเขาฝากหนังสือสวดมนต์แปลเป็นเออ่บาลีเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ถวายพระอาจารย์ให้โยมก็เลยส่งไปสันีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะอืมแล้วมีพระตอบรับไหมยังพระอาจารย์ได้รับหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอืมโดยใหญ่ก็จะมีพระท่านตอยรับให้อ๋อค่ะ ก็ขอโน้มโมทนานด้วยก็แล้วกันนะอ่าบางทีท่านก็ไม่ได้มาบอกว่าได้รับแรงบ้างเพราะม่คนส่งของมาอยู่เรื่อยๆมีคนส่งไปเยอะใช่ไหมคะอ่าอ่ า, อ า, อาพอดีเมื่อก่อนโยมจะไปที่วัดแล้วก็แล้วตอนหลังๆไม่ค่อยได้ไปว่าปฏิบัติที่บ้านตังเทศเอาอะคะ่ะก็ได้อยู่ที่บ้านที่ถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่จําเป็นต้องมาวัดก็ได้ครับก็เคยไปที่ ที่เขาชีโอนที่ให้พักที่พักของของผู้หญิงค่ะก็ไปขึ้นไปอยู่แปดวันอืเมื่อตอนต้นปีอะค่ะก็จะขยันขึ้นเนาะคือสงบดีค่ะก็คือส่วนใหญ่โยมจะเดินนะคะคือโยมนั่งสมาธิไม่ได้นานอืตอนไปที่เขาชีโอนนั่นน่ะนั่งได้นานที่สุดแล้วเพราะมันไม่มีอะไรทําแล้วก็แต่ แต่ที่ที่จะทําเยอะก็จะเป็นเดินจงกรมตรงมากกว่าก็ดีเดินจงกรมได้ก็ดีเดินเดินเดินเ ด, ดิมีสติกันแล้วกันไนมะ่ใช่เดินลบบใจลอยก็มีสติแล้วก็พอใจลอยไปก็รู้ว่ากลับมามีสติใหม่อืมก <c oughs> ็ดีก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านก็ เ, เป็นอยู่บ้านอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็เลยตอนหลังๆก็เลย ไม่จะไปที่ไหนก็อยู่บ้านเอาค่มแล้วส่วนใหญ่จะฟังเทศแล้วก็แล้วก็คอยดูอารมณ์ว่าเราไปทางยินดีหรือยินร้ายอะไรแบบนี้ยก็ให้มันอยู่แบบเป็นปกติคือให้ให้รู้ตัวว่าเราไปทางอารมณ์หลงหลงไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กลับมามให้เป็นปกติหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันนะคะเพราะจริงจริ โยมไม่ได้ไปทํางานมันจะไม่ค่อยมีกระทบอารมณ์อืมเท่าไหร่ตจริงๆถ้าทําได้ควรจะให้ให้จิตอยู่นิ่งๆให้อยู่กับอารมณ์เดียวเดียวกับอยู่กับพุทธโธแล้ว อ, อยู่อะไรไปจะมีความสุขมากกว่าแล้วจิตจะมีกําลังครับ ถ, ถ้าดูจิตจิตมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆหลอกเราให้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อย ก็จะไม่มีวันสงบได้ถ้าดูจิตอย่างนี้ไ ม, ไม่มีกำลังใช่ไหคะไม่มีกาลังรต้องฝึกสติให้หยุดจิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยดูจิตที่หนักดูเพ้หยุดจิตแล้ ว, ลวเกิดพอจิตคิดปก็ต้องหยุดมันไม่ใช่ดูไปแล้วมันจะคิดอะไรกัดูตามไไมันไปเรื่อยๆนะเราเรา หยุดจิตด้วยการหยุดความคิดด้วยการในการใช้คำรลกรรมพุดโทเ ร, รือคอยใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วเวลานั่งก็งใช้ดูลมหายใจเขาออกแทนเราต้อการหยุดจิตทำจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปควบคุมจิตอีกทีด้วยด้วยการดูจิตถ้ามันจิตมันไปในทางไม่ดีก็ต้องหยุดมัน นะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือหมายถึงว่าแต่เราถ้าเร า, าปฏิบัติแบบในทางเคลื่อนไหวร่างกายอะไรนี้ก็ก็ได้ใช่ไหมค่ะได้ก็ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมื อ, อ, อปลูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็อยู่ยกับการกระทําร่างกายอย่าไปคิดเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้อือ พอเวลามีเวลานั่งก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเรนจะใช้คําบริกรรมก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปใช้สองอย่างพร้อมกันมันจะมันจะอาจจะมีพันปัญหาได้เพราะบางทีเราอยากจะปรับพุทโธให้ชา้าเรื่องเดียวเพียงแคมันปลูกไว้กับล ม, มก็ทําไม่ได้เอ็น hmm. ถ้าจะพุทโธก็ุทโธ อ, อย่างเดียวไปเลยไม่ต้องดูลมถ้าจะดูดลมก็ดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุทโธอย่างเดียบ จะต้องทำจิตให้นิ่งให้ได้ต้องหยุดจิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิต ท, ที่หลังอีกทีอา<ะ>ในะค่ะแบบนี้นะขอบพระคุณค่ะอ่าสใครคคุณหมอนาทวเชัยหมอรับปรนะนัสิายพระอาจารย์ครับเป็นยังไงคืองานไม่ยอมแน้อยลงไปเยอะแล้วครับ <Okay. S 2> มิจจอก็ ก, ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยครับไม่ต้องเดินทางครับอย่างอยากเรียนทำอาจารย์ครับรเรื่องตอนที่อาจารย์เรียนเริ่มปฏิบัติเนี่ยครับอาจารย์มีทําตารางในแต่ละวันพวกรายละเอียดการปฏิบัติาอาจารย์ทำยังไงบ้างครับคือตอนที่เราเราิ่มปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่มีตารางก็ไม่ได้ว่าปฏิบัติทั้งวันครับพอเงือกตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติป่น ใชะแล้วก็พอไม่พอเสร็จกิจอะไรที่ต้องทําแล้วก็นั่งสมาธิสลับดำเนินจงกรมแอ้ฟังอ่านหนังสือธรรมะเราจะทำสามอย่างสลับกันไปครับครับนะทำทั้งวันทั้งคืนทำทั้งวันก็ทำไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าถ้าเรามีตารางมันจะช่วยให้เราแบบไม่แล้วแต่แต่เราแต่เราไม่ได้จัดตารางเราจัดเราจัดโปรแกรมว่าต้องต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ ครับก็คือวนสามยอย่างจะเป่นนักสมาธิกัเนเดินจงกงมล้วไม่เดิจนจยกงก็อ่านหนังสือธรรมะครับอันส่วนของหนังสือธรรมะเนี่ยครับอผมคิดว่าถ้าจะเตรียมไปก็จะน่าจะมีเป็นจางขปสูตรอ่าปฏิปัติภูบาจารย์ส่ลูกุูมั่นะท่านอาจารมีหนังสืออื่นแนะนํำไหมครับกะ บ, บ, บนเขาก็มีหนังสือเยอะแยะไปดูที่ห้องสมุดบนเขาได้ครที่สารนาน้ําปัญะมีหนังสือเยอะแย ะ, ยะ คบอครั บ, รบไปเปิดดูได้แต่อย่าอยาอ่าน ห, หนังสือนล่มไหนแต่ความจริงไม่ต้องอ่านมากอก่อานแค่วันละชั่วโมงอะไรแค่นี้ก็พอครับไปก็เป็ น, นป้นเน้เนตรงๆกับทงสมาธิเป็นหลักนหนังสือก็เน้นว<ต>ันนั้นสมาธิไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนความความความอะไรความความคลยชินเปลี่ยนเป็นลดเปลี่ยนชาติหน่อยมันอไปอ่านครับอะเพราอฝังไปก็พอรช่ โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการวิธีการปฏิบัติเปฏิบัติธรรมพุทธดวงกรรมฐานเนี่ยถ้าถ้าอยากจะอ่านหนังสืออ่านเน้นๆเนี่อใช่ครับชอบครับ ม, มีใช่ไได้ได้กําลังใจเลยครับว่าว่าหลวงปู่หลวงตาท่านก็บอกว่าจะปฏิบัติกันครับครับมีครับกบ็ไม่มีอะไรครับจะทำะรายละเอียดต้องทําอะไรครับธรรมะชุดเต็มพร้อมก็ดีของหลวงตาธรรมะชุดเตร็มพร้อมก็ดีใช่ครับปฏิบัติธรรมเราทำชุดเต็มพร้อมสองเล่มเลย ทางเรืที่เกี่ยวกับการปฏิบัติครับนะครับได้ครับได้ครับเสอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรครับก็ช่วงนี้ก็เคลียร์งานครับก็ยังมีงานไม่จถึงวันสุดท้าย้ก็ทําไปัำหน้าที่ครับครับก็ขอบคุณครับนะจ๊งอ่าคุปุวยต่อเจนคุปุวยนักเสมอ งานมรดการค่ะพระอาจารย์อาจารย์<ง>นี่จะกระถินหมดแล้วทำอะไรต่อดีอ่ตอนนี้เตรียมพ่อป่าค่ะพระอาจาราย์ครพ่อป่าปีใหม่ก็สลักกะพัดโยมนั่งหาอยู่แต่ว่าโยมอะจะมารายงานผลการปฏิบัติของโยมตั้งแต่วันอพฤหัส ท, ที่แล้วโยมขยันมากเลยยกเว้นวันเนี้ยที่โยมแบบว่า ลืมสวดมวนต์ตอนเช้าค่ะโ mm hmm. ยมถือว่าถ้าก่อนพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าก่อนกระถินและหลังกระถินโยมต้องสวดชินบัญชรให้ได้วันหนึ่งเก้าจบเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่าโยมสวดมันตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วโยมก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่โยมเชื่อค่ะ แาะโยมก็ต้องนั่งภาวนาโยมก็ทำได้เกินสามสี่ชั่วโมงต่อวันนะทุกวันเนี่ยค่ะโยมก็เลยจะมารรยงานตัวกับพระอาจารย์มาถวายบุญด้วยะคะ่<ด>ะนายโยมก็หากระถินทำต่อแล้วก็หาสลักกะพัดแล้วก็ไปช่วยบำรุงวัดวาอารามที่เขาแบบว่าสั้งโบสถ์า้งโชคฟ้านะคะได้ทำทานมาเลยเพราะว่า โยมตั้งใจแล้วว่าเงินส่วนหนึ่งที่เราได้รับมาเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งอะเอาไปทําบุญทุกทุกทุกเดือนทุกเดือนทําอะไรก็ได้แต่เป็นบุญนะถ้าเปลี่ยนเป็นบุญเอาทราบภายในไปก็เดี๋ยวลราไปจะได้มีอะไรติดตัวไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าโยมคิดว่าถึงแม้โยมจะไม่สิ้นชีวิตแต่ถ้าโยมอยู่ในศีลในธรรมโยมคิดว่าโยมไม่ลําบากนะพระอาจารย์ เพราะว่าเหมือนกับบุญเนี่ยจะอบอุ้มโยมตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ช่วยเฉพาะโย ม, มช่วยลูกโยมด้วยอ่โยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้โยมอะได้อยู่ในศีลในธรรมอย่าได้ทำบาปได้สร้างบุญสร้างบารมีได้ถือศีลแปดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเพราะอายุโยมคือเยอะแล้วอะอาจาร<ม><ม>ย์เนี่ยโยมโยมโยมขอเจ็ดเจดจุดห้าจลางกลางวันนะอาจารย์ก<ม>ั้ง กลางคืนขอเป็นแปะนะอาจารย์ได้นี่การแต่โยมไม่เกลียดการเอ่อ<ะ>ต่อให้โยมเนี่ยเดินออกไปนะศีลกรรมีศีลมุสมายมจะระวังอย่างมากมเพราะว่าเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าถึงถึงเราจะแต่งหน้าแต่งตัวแต่ว่าเราต้องอยู่ในศีลในธรรมโยมจะท่องอยู่เสมอค่ะอาจารย์เพราะว่ า, าเราต้องช่วยเหลือตัวเองเวลาเราอยู่คนเดียวนะคะเพื่อเพื่อ นำเงินมานำปัจจัยมาสร้างบุญสร้างกุศลเนะ่ยค่ะค่ะก็ขอให้ท้าทแข่งแข่งแรงโยมมารับพลังพระอาจารย์พระอาจารย์จะรับไปเลยต้องงานเท่าไหร่ออกไปให้หมดเลยขอพรด้วยพระอาจารย์เอาให้สุขเป็จริญให้ร่ำไปรวยถูกหวยถูกวัตโอ้รีบรับเลยโอเคสาธุดาสาธุดา อไปที่ันปน้ะตาคนปะนเชิญจากสมัสการครัอาจารย์ปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอนะคะแล้วก็ถึงแม้จะมีผ่านวันที่วุ่นวายในในแต่ละวันแต่พอกลับมาบ้านก็พอเริ่มนั่งก็สมาธิก็รวมลงเร็วอค่ะไม่ไม่ได้ยังติดทีท ลบทุกอย่างให้ไปให้หมดทุกอย่างที่ผ่านมาในวั น, นในวันนี้ก็ผ่านลบมันออกไปให้หมดทําให้ใจว่างแล้วก็เพิ่มวันปฏิบัติมากขึ้นก็คือเอวันหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นจ้ะนในแต่ละวันคือพอว่างเมื่อไหร่ก็เข้าสมาธิสงบมากขึ้นเร็วขึ้น แล้วก็เห็นกิเลสชัดเจนอันไหนที่ที่ยังอิดอยู่กับตามติดตามมาเดิมเดิมรู้ก็จะหมั่นแก้กิเลสเห็นแล้วต้อหยืนมันให้ได้นะอย่าไปปล่อยมันให้เห็นกิเลสก็ต้องหยุดกิเลสนะเจ้าค่ะมันปฏิบัติ จ, ำตำจาํางประหมเสมอเจ้าค่ะไอ้จริเจ้าค่ะอ่ากขอบพระคุณในะคำํคำทาคําสั่งสอนจ้าพระอาจารย์ ที่คอยเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ลูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคสาธุอ้ามใหคุณลาตอคุณลามีคำถามมีคำถามลันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเชื่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อถึงเวลาที่จะตายได้ยินว่าควรตายไปด้วยสติ แต่ถ้าก่อนตายเรามีทุกเวทนามากเราควรจะบอกคุณหมอให้ยาเราเพื่อลดความเจ็บปวดก่อนตายไหมครับถ้าให้ยาเราอาจจะไม่สามารถกําหนดสติได้ครับแต่ถ้าไม่ให้ยาเราก็อาจจะจากไปด้วยความเจ็บปวดทรมานกราบข อ, ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็ต้องพยายามฝึกสติตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าแล้วไม่ต้องใช้ยาถ้าเรามีสติเราก็จะมีธรรมโอษฐ อี่จะทำให้ใจนอนเน่งแล้วไม่เดือดร้อนแล้วยิ่งถ้ามีปัญญาประกอบด้วยประกอบกับสติได้ยิ่งดีเลยกาพิจารณาว่าความเจ็บมันเป็นอนิจจ์อนัตตาแล้วควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเจ็บก็บไปมันเจ็บไปเราต้องฝึกให้จิตเราอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับความเจ็บได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจมันจะไม่วุ่นวายจะอยู่อย่างสบายตายอย่างสบาย หมดแล้ว่ไมนะโอเคเราคิดว่าทุกคนได้ได้หุ้นได้คนกันทุกคนนะสอคคนแก่เวลาที่เราจะต้องอมีการพัดพาจากกาันไปเป็นธรรมดาก็อาขอให้ท่านยงนราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด